ขอเจริญพรนักธนาจารย์นักศึกษานาักสังคมศาสตรส์หมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หัวข้อทีอ่รับนิมนต์มาบรรยายในวันนี้ก็คือเรื่องชีวิตและความตายในสังคมบริโภคนิยมนะคำว่าบริโภคนิยมนี่ก็คงเป็นคำที่เราคงจะได้ยินอยู่บ่อยๆนะแต่ว่าความหมาย เราจะเข้าใจตรงกันหรือไม่นั่นก็อีกประเด็นนึ่งตนนี้จะพูดถึงบริโภคนิยมเนี่ยก็มันต้องโยงกับบิกคำหนึ่งก็คือคำว่าทุนนิยมนะเพราะว่าสังคมบริโภคนิยมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เกิดขึ้นได้ในสังคมทุนนิยมนะถ้าเป็นสังคมนิยมเนี่ยมันเป็นบริโภคนิยมได้ยาก หรือถ้าเป็นสั ง, สงคมสมัยก่อนสมัยเรายังอยู่กันในหมู่บ้านหรือที่เขาเรียกว่าสังคมดั้งเดิมอุปการ์เนี่ยการที่จะมีพฤติกรรมหรือคั้นนิยมแบบบริโภคนิยมเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากหรือว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะสังคมบริโภคนิยมจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ใน ในสังคมที่มีเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเพราะนั้นบางทีเราก็เรียกรวมลวงกันว่าทุนนิยมบริโภคคือทุนนิยมสังคมทุนนิยมที่อยู่ในช่วงที่เนการบริโภคอันนี้ก็ขยายความซึหน่อยว่าไอ้ทุนนิยมบริโภคเนี่ยมันหมายความว่าทุนนิยมนี่มีหลายแบบใช่ไหมถ้าถ้าเป็นทุนนิยมเล็กๆเนี่ยเราย้อนหลังไปเมื่อสัก200ปีเนี่ยมัน เป็นทุนนิยมที่เน้นการผลิตนะไม่ค่อยได้มีโอกาสจะบริโภคเท่าไหร่ไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะบริโภคอย่างอย่างพั่งพร้อมเหมือนกับสมัยนี้นึกถึงเมื่อสักสองรอปีก่อนนะคนก็ยังยากจนนะแม้แต่ช้อนซอมนะแม้กระทั่งห้องน้ำเนี่ยที่จะ อยู่จะใช้กันแบบเป็นส่วนตัวในบ้า น, นก็เป็นไปได้ยากในสังคม200 ป, ปีก่อนที่เราเรียกว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็เป็นยุคทุนนิยมแต่เป็นทุนนิยมเริ่มต้นก็คือว่าเป็นทุนนิยมที่เน้นเรื่องการผลิตต้องใช้ความอุตสาหะเป็นทุนนิยมที่เน้นเรื่องอุตสาหะมากคําว่าอินดัสทรี Industry, อุตสาหกรรมใช่ไหมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วอุตสาหะอุตสาหะคือต้องใช้ความพยายามสังคมทุนนิยมเบืบ้องเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นยุคที่ต้องใช้ความอุตสาหะพยายามมากเพราะฉะนั้นต้องอดออมอดมือกินมือคนในยุคทุนนิยมแรกๆเนี่ยก็จะไม่ได้มีบริโภคอย่างมากมายเพราะมันต้องเน้นเรื่องการผลิต ไม่มีข้าวมากมายไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่านิยมเรื่องความประหยัดออมกระเม็ดกระแหม่เนี่ยก็เป็นค่านิยมที่สำคัญของระบบอุตสาหกรรมในช่วงต้นต้นอย่างเฮลลีฟอร์ดเนี่ยเฮลลี่ฟอร์ดซึ่งเขาเป็น เป็นเจ้าของแล้วก็ผู้ผลิตรถที่มีชื่อฟอร์กเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของนักอุตสาหกรรมซึ่งประหยัดอดออมมาก เ, เขารวยมากแต่เขาประหยัดซึ่งเป็นขั้นนิยมหรือเป็นแบบแผนชีวิตของคนสมัยนั้นก็คือว่าอยู่กัอย่างอยู่อย่างสมถะการที่จะไป ไปดูหนังไปฟังเพลงเป็นสิ่งที่เขาไม่นิยมเลยไปกินข้าวในโรงในในร้านอาหารในพตัตตะคาร ก, ก็ไม่ทำต้องมากินข้าวที่บ้านนี่คือค่้นนิยมซึ่งมันไม่ใช่บริโภคนิยมนี่คือค่้นนิยมที่เราเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมในช่วงที่เป็นทุนนิยมที่เน้นเรื่องอุตสาหออุตสาหกรรม เป็นช่วงต้นของทุนนิยมแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาอีกขั้นหนึ่งแล้วคือทุนนิยมซึ่งมันผลิตได้ยอย่างล้นเหลือผลิตได้ยอย่างล้นเหลือเลยอ น, นี้ผลิตได้ยอย่างล้นเหลือจะทำยังไงก็ต้องมีคนที่บริโภคก็ต้องกระตุ้นให้มีการบริโภคมากขึ้นกระตุ้นให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเพราะไม่งั้นเนี่ยมันมันล้นเหลือก็เลยเกิดทุนนิยมอีกขั้นตอนขึ้นมาเรียกว่าทุนนิยมบริโภค อันนี้ถ้าจะเข้าใจเรื่องบริโภคนิยมเนี่ยอาตมาคิดว่าเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทุนนิยมสักหน่อยนะจะใช้เวลาไม่นานคําว่าทุนนิยมเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่าคือสังคมหรือระบบเศรษฐกิจที่นิยมเรื่องทุนให้ความสําคัญกับเรื่องทุนหมายความว่าอย่างไงก็หมายความว่าในการผลิตเนี่ยก็เอาทุนเป็นใหญ่สมัยก่อนเนี่ย ร้อยองร้ปีก่อนเนี่ยทุนมันไม่ได้เป็นใหญ่นะทุนในที่นี่หมายถึงเครื่องจักรแล้วก็เงินสมก่อนเนี่ยที่ดินเป็นใหญ่สมัยก่อนแรงงานเป็นใหญ่คุณสามารถจะผลิตของอะไรต่ออะไรมากมายโดยที่คุณไม่มีเงินสักแดงเลยก็ได้หมู่บ้านเชียงใหม่เมื่อร้อปีก่อนเนี่ยชาวบ้านไม่มีเงินสักแดงแต่เขาก็สามารถที่จะผลิตอะไรได้ต้องเยอะแยะเพราะเขาเน้นเรื่องแรงงานแล้วก็ที่ดิน เขาเรียกว่าศักดินานิยมก็อันนี้คือว่ามันในเรื่องที่ดินเราอย่าไปนึกว่าว่าคนสมัยก่อนนี่เงินเป็นเรื่องสําคัญนะไม่ใช่อาตมาจะเล่าจะอ่านบันทึกของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพเมื่อครั้งที่ไปเยี่ยมหมู่บ้านหนึ่งแถวสําแก่นกรมสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพนี้ก็เราคงรู้จักนะท่านเป็นเสนาบดีคู่พระคู่พระไทยของรัชกาลที่5 ท่า น, นเป็นน้องของรัชกาลที่5แล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิรูปเมืองไทยในเรื่องการศึกษาตอนนั้นท่านเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยท่ยานเล่าถึงสังคมไทยเมื่อ150ปีก่อนซึ่งน่าสนใจนะเราจะได้รู้รลยว่าสมัยนั้นเนี่ยเงินไม่มีความหมายคำว่าเงินหรือทุนเนี่ยมันมันไม่มีความหมายเพราะว่าสังคมไทยตอนนั้นยังไม่ได้อยู่ในยุคทุนนิยมนะ ท่านเล่าให้ฟังนี้ท่านบอกว่าทุกบ้านนะทำสวนปลูกผักฟักแ ฟ, กฟงที่กินเป็นอาหารแล้วก็มีคอกเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ลานบ้านนอกรู้ออกไปก็ทําไร่ฝ้าและสวนกล้วยสวนพลูสวนปลูกต้นหม่อนสําหรับเลี้ยงไหมกับคอกเลี้ยงวัวควายเลยหมู่บ้านออกไปถึงทุ่งนาชาวบ้านก็มีนาทําทุกเครื่อเรือนทุกครัวสามารถหาอาหารและสิ่งซิ่งจําเป็นจะต้องใช้ในการเลี้ยงชีพได้โดยกําลังลําพังตน มีความเพียงพอไม่ตระคัดชาวบ้านไม่ต้องใช้เงินเลยนะเขาบอกว่ามีสิ่งของไม่กี่อย่างที่ชาวบ้านต้องซื้อคือมีดพระและไม้ขีดไฟชาวบ้านไม่มีเงินนะเวลาชาวบ้านจะต้องการใช้เงินทําไงก็เอาสัว์เลี้ยงไปขายก็ได้เงินเนี่ยมาซื้อมีดพระและไม้กีดไฟแค่นั้นเองเงินนี่มีแค่ต้องการเพียงแค่ซื้อมีดพระและไม้ขีดไฟที่เหลือทําเองได้หมดผลิตเองได้หมด นี่คือยุคที่ทุนนิยมไม่มีความหมายนะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้เงินเนี่ยนะสังคมปัจจุบันนี่เป็นสังคมที่เงินเป็นใหญ่เราถึงเรียกว่าทุนนิยมนะก็จริงเขาว่าทุนนี่มันหมายถึงเครื่องจักรด้วยนะแต่ปัจจุบันนี้เราก็จะเน้นเรื่องเรื่องทุนหรือเงินเป็นสําคัญอันนี้ทุนนิยมเนี่ยมัน อยงที่บอกไว้แล้วว่าคือเงินเนี่ยเป็นเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งสําคัญในการผลิตนะคุณไม่มีที่ดินก็ได้นะ <c oughs> คุณไม่มีที่ดินก็ได้คุณไม่มีแรงงานก็ได้ <c oughs> แต่ขอให้คุณมีเงินหรือขอให้คุณกู้เงินมาได้เนี่ย <c oughs> ในสังคมปัจจุบันคุณทําอะไรต้องต้องเแย่หรือแม้แต่เพียงแค่ว่าคุณเอาเงินเนี่ยไปปล่อยกู้คุณก็รวยได้โดยที่คุณไม่มีเงินซักไรไม่มีเงินซักตารางว่าเดี๋ยวคุณก็รวยได้ ถ้าคุณใช้เงินเช่นการปล่อยกู้แต่ในทางตนข้ามในยุคปษษษษษษษัจจุบันคุณมีที่ดินแต่คุณไม่มีเงินคุณก็ดูไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักแปรที่ดินให้เป็นทุนเสียก่อนนี่คือความหมายเบื้องต้นของทุนนิยมนะก็คือว่ามันใช้เงินเป็นใหญ่นะและคราวนี้เนี่ยทองเงินเป็นใหญ่แล้วเนี่ยมองไม่ได้ว่ามันเป็นใหญ่แค่ในการผลิตอย่างเดียวนะมันเป็นใหญ่จนกระงถึงขั้นว่ามันเป็นจุดหมายของชีวิต จุดหมายของชีวิตเด็กนี่คนเนี่ยนะมีจุดหมายของชีวิตคืออะไรบ้างก็คืออยากรวยนะเวลาชาวบ้านนี่ไปทําบุญหรือว่าเวลาไปรุ่นนาาักศึกษาไปไปเข้าวัดทําบุญเวลาอธิษฐานนี่อธิษฐ า, านว่าอยากจะขอให้รวยมั้งนะชาวบ้านเนี่ยเกือบร้อยทั้งร้อยเลยขอให้ขอให้รวยขอให้มั่งมีนะขอให้ถูกหวยเพราะฉะนั้นเนี่ย เครื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณที่บอกว่าที่เขียนว่าบ้านนี้อยู่แล้วรวยเนี่ยจะขายได้ดีใช่ไหมบ้านคุณมีบ้างไหมบ้านนี้อยู่แล้วรวยอะ่ะนี่คือจุดมุ่งหมายของชีวิตจุดหมายของชีวิตของคนในยุคทือนิยมบริโภคคือขอให้รวยหรือว่าอาจจะแปลอยากจะขอให้มีรถยนต์ขอให้มีบ้านหลังใหญ่ๆนักศึกษาคิดอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะว่าเมื่อจะจบออกไปเนี่ยบางคนคิดและเริ่มคํานวณแล้วว่า ถ้าฉันจบนี่เดือนแรกขอเงินเดือนเดือนละเท่าไหร่อย่างแรกที่คิดเลยก็ว่าเงินเดือนที่ฉันจะได้ทําเดือนแรกนี้เงินเท่าไหร่นี่คือตั้งเองไว้เลยตั้งจุดมุ่งหมายไว้เลยอย่างอื่นไม่สนใจว่าจะได้เงินจะได้ที่ทํา ง, งานดีหรือไม่ไม่สนใจจะได้เจ้านายดีหรือเปล่าเอาไว้คิดเอาไว้ทีหลังแต่ว่าขอให้ได้เงินเดือนละห้าห0ื่นหรือแสนตั้งเป้าไว้เลยนะอันนี้เป็นเป็นข่านนี้เป็นเป็นจุดหมายของชีวิต แล้วก็ไป็นจุดหมายของประเทศด้วยถามว่าเวลาเวลารัฐบาลพูดว่าจุดมุ่งหมายของประเทศคืออะไรเนี่ยเขาจะตอว่าไงจะตอบเป็นเปอร์เซนต์ว่าขอให้โต ป, ปีนี้ปีนี้เศรษฐกิจไทยจะโตหเปซหรือปีหน้าเราจะทำให้เศรษฐกิจไทยโตหกเอ็ดซอาเงินเป็นตัวตั้งเอาเงินเป็นตัวตั้งโดยการวัดความสําเร็จของประเทศหรือความสําเร็จของผู้บริหารโดยการวัดที่ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือเรื่องเงินเงินมันกลายเป็นจุดหมายของชีวิตเงินกลายเป็นจุดหมายของประเทศไปแล้วเงินกลายเป็นตัววัดค่าของทุกสิ่งอะไรก็ตามถ้าวัดค่าเป็นตัวเงินได้ถือว่ามีค่าอะไรก็ตามถ้าวัดค่าเป็นตัวเงินไม่ได้ถือว่าไม่มีค่าเดีนี้เราใช้เงินเนี่ยวัดค่าทุกอย่างทุกอย่างต้องสามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้ เพื่อที่เราจะได้เทียบว่าอะไรมีค่ามากกว่ากันใช่ไหมเดี๋ยวนี้ที่ดินเนี่ยเราจะว่าว่าที่ดินไหนมีค่ามากกว่ากันเนี่ยเราก็วัดว่ามันแปลเป็นตัวเงินได้เท่าไหร่มันราคาเท่าไหร่เราใช้เงินในการวัดว่าโครงการไหนควรทําหรือไม่ทํำเราก็ใช้เงินเป็นตัววัดเรามีที่ดินอยู่ริมถนนอยู่ที่นึงเนี่ยริมถนนนะฮะถามว่าระหว่างการเอาที่ดินนั้นเนี่ยมาทําเป็นโรงเรียนอนุบาล เป็นสนามเด็กเล่นหรือว่าทำเป็นศูนย์การค้าเนี่ยคนส่วนใหญ่เลือกอะไรคนส่วนใหญ่ไม่เอาอที่ดินตรงริมถนนนี่มาทาเป็น ส, สนามเด็กเล่นหรือว่าเป็นเป็นโรงเรียนรูุบาลหรอฮะเขาก็จะเอามาทำเป็นอ่เป็นศูนย์การคา้าเพราะอะไรเพราะว่ามันให้เงินได้มากกว่าเพราะว่ามันมีมันสามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้สูงกว่า โรงเรียนบาลหรือสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นเนี่ยก็ตีค่าเปน็นตัวเงินไม่ได้ไม่เท่าไหร่เองแต่ถ้าเอามาทําเป็นศูนย์การค้ามันมันเป็นมันมีมูลค่าเป็นบางทีร้อยล้านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีความคิดแม้กรทั่งว่าวัดเนี่ยวเวลานี้วัดในกรุงเทพกรุงเทพได้ยินไหมวัดในกรุงเทพอะ่ะก็บอกว่าวัดในกรุงเทพนี่น่าจะย้ายนะมีคนเสนอนะเพราะว่ า, วา ที่ตั้งวัดเนี่ยผมเป็นที่ที่ราคาแพงมากเช่นวัดสัมแถวเยาวร่าแถวสัมมทธวมวั ว, วัดวัดปฐุมนารามี่อยู่ตรงไหนติด ก, กับสยามพาราคอนเลยเขาบอกว่าย้ายดีกว่าไปที่ไกลๆเลยโน่นไปแถวลังสิทธ์เลยเดี๋ยวจะสร้างสร้างคอนโดมิเนียมให้แล้วเอาที่งนั้นแหละมาทําศูนย์การค้าความคิดแบบนี้มีนะแล้วมีมานานเลวเป็นสิบปีแล้วด้วยแล้วก็พระเองก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะเนี่ยทุนนิยมคือว่า อะไรจะมีอะไรจะอยู่ที่ไหนควรมีหรือไม่เอาเงินเป็นตัววัดนะเงินเป็นตัววัดทุกอย่างระหว่างน้าแม่น้ำที่มันชาวบ้านเอาไว้ทาเอาไว้จับปลานะเอาไว้จับปลามันตีเป็นมูลค่าตีมูลค่าเป็นตัวเงินได้ไน่กี่บาทแต่ถ้าสร้างเขื่อนหรือว่าทำเป็นรีสอร์ทโอ้มันมีมูลค่าเยอะเลยเขาก็เลิก มาสร้างเขื่อนไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยจับปลาอย่างที่เขื่อนปากมูลเนี่ยที่ทะเลาะกันมาเป็นสิบปีแล้วเนี่ย mm hmm. ก็เพราะว่าเขาวัดค่าเอาเงินมาเป็นตัววัดค่าว่าอะไรที่จะให้ผลประโยชน์ได้มากกว่ากันระหว่างการให้ชาวบ้านจับปลาหรือการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตเพื่อส่งไฟฟ้าให้โรงงานอุตสาหกรรม เงินเป็นตัววัดเงินเป็นตัวเป็นตัวตัดสินว่าอะไรควรอยู่อะไรไม่ควรอยู่นะนี่คือลักษณะของของทุนนิยมและที่มันมันโยงกับบริโภคนิยมโดยตรงก็คือการใช้เงินเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะ เข้าถึงหรือบรรลุสิ่งที่ต้องการคุณคือว่าถ้าอยากได้อะไรเนี่ยคุณใช้เงินซื้อสมัยก่อนเนี่ยอยากได้อะไรเนี่ยคุณต้องผลิตเองคุณต้องทําเองใช่ไหมอย่างที่อาตมาได้เล่าถึงหมู่บ้านในขอนแก่นซึ่งก็เป็นหมู่บ้านลักษณะเดียวกับหมู่บ้านในเชียงใหม่เชียงรายทั้งหลายทั้งปวงคือว่าชาวบ้านอยากได้อะไรอยากกินอะไรต้องทําเองอยากกินข้าวทับปูกข้าว อ ย, อ, อยากสร้างบ้านอย า, อยากมีบ้านก็สร้างบ้านแต่ในยุคทุนนิยมหรือ ว, ว่าทุนนิยมบริโภคเนี่ยขอให้คุณมีเงินอย่างเดียวคุณไดคณ้คุณเชื่อว่าหรือมีความเป็นไปได้ที่คุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างและคนก็เลยเชื่อว่าถ้ามีเงินแล้วก็สามารถจะหาความสุขได้ถ้ามีเงินแล้วก็จะมีสุขภาพดีได้ เงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างอันนี้คือความเชื่อแล้วก็ระบบมันก็พยายามที่ทําให้เราเชื่อแบบนั้นเวลาบอกว่าอยากมีสุขภาพดีหรือออกกําลังกายสิถ้าคุณอยากมีสุขภาพคุณออกกําลังกายสังคมบริโภคนี่จะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกคุณมีเงินก็พอแล้วถ้าคุณป่วยคุณก็ไปหาหมอ ให้หมอดูแลก็เท่านั้นหงง่ายจะตายใช่ไหมคุณอยากมีสุขภาพดีคุณก็ไปซื้อยามาออกกำลังกายทำไมใช่ไหมเสียเวลาเอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่าแล้วถ้าเกิดคุณป่วยคุณก็ซื้อยาคุณก็ไปหาหมอคุณมีเงินถ้าคุณมีเงินแล้วคุณก็สามารถจะได้หมอที่จะช่วยรักษาคุณไม่ให้เป็นโรค ความดันลวบหัวใจได้บริโภคนิ้มนี็จะบอกแบบนี้เขาจะบอกว่าเงิ น, เ, นเป็นคำตอบของทุกอย่างนะแม่สามารถจะแสดงความรักของลูกแสดงความรักต่อลูกได้ก็เพียงแต่ซื้อโทรศัพท์มือถือให้ลูกเพียงแต่ซื้อนมผงยี่ห้อนี้ก็แสดงว่าแม่นี่รักลูกแล้วความรัก ของแม่ไม่ต้องแสดงด้วยการไปกอดลูกหลอกเพียงแต่ซื้อนมยี่ห้อนี้ซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อนั้นอันนี้เป็นเป็นค่านิยมของคนด้วยและเราก็เห็นจากโฆษณาด้วยโฆษณาหลายหลายหลายชิ้นเลยเรื่องความรักของแม่ต่อลูกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าคุณอยากรักลูกคุณก็ซื้ออย่างน้อนอย่างนี้ให้แล้วคนก็เชื่อไม่มีเวลาให้ลูกเลยก็ซื้อของมาให้ลูก ซื้อวิดีโอเกมซื้อโทรศัพท์มือถือซื้อส้นิเกอร์ซื้อรองเท้านะก็เลยเกิดสิ่งมีชีวิตพันใหม่ในปัจจุบันว่าสตว์เลี้ยงลูกด้วยเงินเคยด้ยินนะเรนี่มีเยอะมากเลยสะสมเลี้ยงลูกด้ยเงินเนี่ยคือสิ่งมีชื่อพันใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคบริโภคนิยมคือคิดว่าเงินเนี่ยมันมันสามารถที่จะเป็นคําตอบให้กับทุกสิ่งทุกอย่างได้ เงินเป็นเครื่องมือที่สําคัญนะคุณไม่ต้องเสียเวลาไปไปคุยกับลูกไม่ต้องเสียเวลาไปอ่านนิทานให้ลูกฟังก่อนนอนคุณเพียงแต่ซื้อของของขวัญของเล่นอะไรให้ลูกแค่นั้นก็พอนะนะแล้วคุณก็เชื่ อ, อจริงๆด้วยว่าถ้าคุณมีเงินแล้วคุณคุณสามารถที่จะซื้อทุกอย่างได้แม้กทั่งซื้อความรักของลูกนะนะนะอัตมาได้พูดถึงเงินใ น, นางะที่เป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตและของประเทศ เงินในฐานะที่เป็นตัววัดคุณค่าของสิง่งต่างๆว่าอะไรควรมีอะไรไม่ควรมีนะเงินในฐานะที่เป็นเป็นเครื่องมือหรือเป็นคำตอบนะในเรื่องสุขภาพถ้าคุณมีเงินแล้วคุณก็จะมีสุขภาพดีได้ไม่ต้องออกกาลังกายหรอกไม่ต้องไม่ต้องดูแลเรื่องอาหารหรอกก็เพียงแต่ซื้ออาหารเสริมนะแค่นั้นเอง หรืออย่างดีก็ไปฟิตเนสนะเงินเป็นคำตอบเรื่องการศึกษาถ้าคุณมีเงินแล้วนะคุณไม่ต้องเรียนมากก็ได้ใช่ไหมก็เพียงแต่ว่าไปไปไปโรงเรียนดีๆหรือว่าไปติวขอมีเงินติวนะคุณก็มีโอกาสที่จะมีการศึกษาสูงได้เดี๋ยวนี้เงินแม้กระทั่งเงินซื้อข้อสอบก็ซื้อได้ใช่ไฮะไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่ว่าคนหลายแห่งนี่เคราบอเงินเนี่ยซื้อขอ้อซื้อ ซื้อคะแนนได้นะแม้กระทั่งบุญกุศลก็ต้องใช้เงินแล้วเดี๋ยวนี้นะอยากได้บุญต้องใช้เงินเยอะๆถ้าถ้าทําบุญน้อยก็ได้เงินได้ถ้าถ้าจ่ายน้อยก็ได้บุญน้อยจ่ายมากก็ได้บุญมากนะทุกอย่างกลายเป็นสินค้าทุกอย่างกลายเป็นสินค้านะผู้หญิงก็เป็นสินค้าตับตายไส่ผุงก็เป็นสินค้าขายได้ เด็กเด็กอ่อนก็เป็นสินค้าทุกอย่างที่เป็นเป็นสามารถตีตีค่าเป็นเป็นเป็นเงินได้หมดแม้กระทั่งชีวิตชีวิตคนแต่ละคนนี่ตีค่าเป็นตัวเงินได้นะฮะถ้าคุณไปถามบริษัทประกันภัยแล้วเาจะตีค่าชีวิตคุณได้ถ้าคุณมียังยุ่งยังหนุยังยังสาวเนี่ยนะเขตีราคาของคุณก็สูงถ้าคุณแก่อย่างอาตมาแล้วราคาก็ต่ำลง นะเมื่อสัก30ปีก่อนเนี่ยมันมีกรณีหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับบริษัทฟอร์ดนะบริษัทฟอร์ดเนี่ยเขาผลิตรถยนต์ขึ้นมานะขึ้นมายี่ห้อม า, มารุ่นหนึ่งแล้วปรากฏว่าพขาบ ว, ว, ว่ามันมีความผิดพลาดขึ้นมาเมื่อผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่ า, ว า, ว า, วาถ้าจะให้มันปลอดภยัยจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ชนิดชิ้นหนึ่งขึ้นมา ติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งในในรถเนี่ยราคาสิบเอดดอลลาร์สิบเดอลลาร์สมัยนั้นมันก็ยี่บบาทเท่านั้นเองยี่สบยี่สบาทต่อนหนึ่งตอนก็ไม่ก็สองรกว่าบาทคําถามก็คือว่าควรจะติดตั้งหรือไม่ก็ตัดสินยังไงฮะจะตจะติดตั้งหรือไม่เร า, เาว่าใช้เขาก็ใช้วิธีว่าวิธีไหนที่มันเปลืองเงินน้อยกว่ากันนะเขาใช้ใช้เงินเป็นตัวตั้งนะวิธีไหนเปลืองเงินน้อยกว่ากันก็ใช้วิธีนั้นแหละ เขาก็มาคำนวณอยู่ว่าถ้าไม่ติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็คํานวณว่าถ้าไม่ติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นนั้นแล้วจะเกิดอุบัติเหตุประมาณ 2,100 คันต่อปีนะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 2,100 คันต่อปีจะมีคนบาดเจ็บประมาณ180คนตาย180คนเขาจะคํานวณแล้วว่าบาดเจ็บ180คนต้องจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายคนละ 6,700 ดอลลาร์แต่ถ้าตายอ่ะเขาตีค่าเป็นตัวเงินนะ 200,000 ของแดอลลาร์พักรวมรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ประมาณสีล้านดอลลาร์ถ้าไม่ติดอุปกรณ์ชิ้นนี้นะถ้าไม่ไม่ติดอุปกรณ์ชิ้นนี้จะเสียเงิน50ดอลลาร์ห้ล้านดอลลาร์ในการจ่ายค่าค่าค่าประกันค่าค่าค่าชดเชยผู้ผู้เจ็บผู้ตายแต่ถ้าติดล่ะนะมันมีรถประมาณ 12.5 ล้านคันคันละ11ดดอลลาร์ก็ประมาณ หนึ่งร้อยสาสิบเจดล้านดอลลาร์ถ้าติดนะเสียหนึร้อยสเจ็ดล้านดอลลาร์ถ้าไม่ติดประมาณรับเสียห้าสิบดอลลาร์เขาเลือกวิธีไหนฮะก็ไม่ติดเสิไม่ติดุปรกรณ์นั้นก็จ่ายแค่ห้าสิบดอลลาร์ปรากฏว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยคนมันไม่ใช่ตายร้อยแปสิบนะคนมันตายมากกว่าห้าร้อยคนปรากฏว่าต้องจ่ายเยอะเลยงานนี้ก็ขาดทุน แต่สิ่งที่มันน่าเศร้าคือว่าเขายอมให้เขายอมที่ให้คนตายเนี่ยสมมติว่าเขาเข า, เขาประเมินถูงนะว่าปีนตายร้แสิบ้อแปดสิบค น, เ, นเขายอมให้มีคนตาย1้0แปดสิบคนเพียงเพราะว่าถ้าติดตั้งแล้วบรนจายเงนินมากกว่าไม่ได้ไม่ได้เอาคุณค่าของชีวิตคนเป็นตัวตั้งแต่เอา เอารายจ่ายเป็นปตัวตั้งว่าถ้าไม่ติดอุปกรณ์ชิ้นนี้แล้วฉันจ่ายน้อยกว่าฉันก็ไม่ติดเพราะว่าชีวิตคนมีค่าเพีงแค่2อ0 0 0ดอลลาร์นี่คือนี่คือนี่คือนี่คือวิธีคิดในยุคทุนนิยมทุนนิยมบริโภคคือการใช้เงินเนี่ยเป็นตัววัดเป็นตัวตั้งในการตัดสินว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํา ไม่ได้ไม่ได้คำนึงถึงว่าโอถ้ามีคนตายแล้วแปดสิบคนแล้วนี่คนเพ่อแม่พี่น้องญาติเขาจะเดือดร้อนเสียหายยังไงบ้างนะเปล่าแต่ดูว่ามันราคาเท่าไหร่นะในกรณีเขาคำนวณผิดเขาก็เลยต้องใช้กรรมนะก็เรียกว่าขาดทุนไปเยอะเลยนะนี่เห็นมว่าทุกอย่างนเวลี่มันระบบทุงยมยมันตีค่าทุกอย่างเป็นตัวเงินได้หมดเลย เขาตีค่าป่าเนี่ยดอยอินทนนท์เนี่ยเขาก็ตีค่าเลยว่าราคาเท่าไหร่ถ้าปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยมันให้หมุนค่าเท่าไหร่ถ้ามาทําเป็นไมซ์ซาฟอรีเนี่ยแล้วถ้ามาทําให้กับโปรเจกต์นี่มันให้หมูนค่าเท่าไหร่เขาคํานวณแล้วก็บอกว่าเอ้ยถ้าดอยอินทนนท์นี่ถ้าดอยสุเทพนี่ปล่อยไว้เฉยๆนี่มูนค่ามันนิดเดียวเองนะก็มีแต่คนมาเที่ยดวดอยสุเทพ หรือแม้ก็มีชาวบ้านมาเก็บเห็ดเก็บเก็บอของป่านิดเดียวเองถ้าทานายไซเบอร์เลยทำนายทำไม่กับโปรเจกต์มันได้เงินมากกว่าก็เอาทุกอย่างเอาเงินเป็นตัวตั้งนะประการต่อมาคือการใช้เงินเนี่ยเป็นแรงจูงใจจะทำแล้วก็ตามต้องมีใช้เงินเป็นแรงจูงใจนะ เมื่อสักสอปีที่แล้วเนี่ยมีหมาทนายแห่งหนึ่งเนี่ย น, นักนักษาชอบแต่งตัวโป่สาวผู้หญิงชอบแต่งตัวโป่อะไรก็ชนที่กรุงเทพทํำยังไงฮะจะให้นักษาเนี่ยไม่แต่งตัวโปก็ให้รางวัลเนี่ยฮะอ้าวเราจะมีเราจะมีการแจกแจกทองแจกสร้อยเพชร น, นักษาไหนที่แต่งตัวดีนะเราก็มาจับฉลากกันนะ คือแทนที่แท น, นี่เป็นหมาอะไรที่นี่เป็นสถาบันอุดมศึกษาในแทนที่จะให้ใหใหหนักศึกษาเข้าใจว่าการแต่งตัวโปนี่มันมันไม่ดีอย่างไรบ้างมันมันมีดีมีเสียอย่างไงบ้างแล้วก็มาพิจารณาดูให้หนักศึกษาใช้ปัญญาเป็นเครื่องตัดสินว่าควรจะแต่งห ร, รือไม่แต่งแต่ว่าเขากลับใช้ความโลภแล้วเดี๋ยวนี้เราเห็นนะเวลานี้ใช้ความโลภในการกระตุ้นให้คนทําอะไรหรือไม่ทําอาศาัยความโลภเป็นแรงจูงใจนะ แ, แล้กระทั่งนักการเมืองก็ใช้ว่าอยากรวยไหมไปหาสิ่งที่ภาคใต้เนี่ยมีพรรคการเมืองพรรคนึ่งอยากรวยถ้าอยากรวยนี่เลือกเลือกเบอร์นี้ไปถามคนที่ภาคใต้ปรากาคนภาคใต้ไม่เลือกเพราะว่าไปดูถูกว่าเขาเนี่ยงกเงินนะก็แพ้ไปเย่าลืม เ, เราใช้เงินเป็นตัวตั้งหมดเลยใช้เงินเป็นตัวกระตุน้นพ่อแม่ก็ใช้เงินเป็นตัวกระตุน้นลูกว่าลูกเรียนดีนะ ถ้าถ้าถ้าเรียนดีก็จะให้โทรศัพท์มือถือแต่ถ้าเป็นนายอเมริกาโทรศัพท์มือถือน้อยไปเขาก็จะให้บอกว่าพ่อแม่จะให้เงินเป็นค่าไปผ่าตัดผ่าตัดสวดส่งในอายอเมริกานี่มีค่านิยมมากคือการการผ่าตัดสวดส่งแล้วก็มันแพงนะฮะพ่อแม่ก็จะบอกลูกลูกค่าขยันนะถ้าจบแล้วเนี่ยแม่จะให้ให้เงินหรือแม่จะให้ ถ้าวันปีใหม่วันวันเกิดนี่แม่จะให้ mm hmm. เงินไปค่าไปค่าเสริมส่ง mm hmm. อันนี้จริงนะเพราะมันมันมันมันเป็นหลายพันดอลลาร์นะมันแพงกว่าโทรศัพท์มือถืออันนี้ก็คือใช้แรงใช้เงินเป็นแรงจูงใจฮนะเป็นตัวการสร้างแรงจูงใจก็คือผู้ยหนี่คือการใช้ความโลภ เนื่นองจอัตามาฯ ก, ก, ก็ก็เล่ามาเนี่ยเพื่อที่จะเห็นว่าเพื่อที่อาชีพเห็นว่าเวลานี้เนี่ยในระบบทุนนิยมนะเงินมันได้มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆมันได้ขยายขอบเขตจากการซื้อการขายนะการซื้อการขายเนี่ยตามระบบทุนนิยมก็คือการเอากําไรเป็นตัวตั้ง การซื้อการขายต้องเอากำไรสูงสุดเงินเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายเฉพาะในการซื้อการขายนะมันเข้ามามีเข้ามาเป็นตัวกําหนดในชีวิตประจําวันของเราเลยเราจะมีอาชีพอะไรก็ขึ้นอยู่ว่าอาชีพนั้นได้เงินหรือไม่เราจะเรียนอะไรขึ้นอยูว่า ว, วิชานั้นจะทําให้เรารวยหรือเปล่านะฮะเราจะแต่งงานกับใครขึ้นอยู่ว่าแต่งแล้วจะรวยไหมถ้าแต่งแล้วไม่รวยหาคนใหม่ดีกว่า เราจะคบใครเเพื่อนเขาคบว่าคนนั้นนี่มันจะทำให้เร า, เามีกินมีใช้มากขึ้นหรือเปล่าถ้าถ้าเพื่อนรวยเออคบถ้าเพื่อนไม่รวยก็ไม่คบใช่หรือปเปล่าเงินเนี่ยมันเข้ามามีเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากไม่ใช่แค่ในเรื่องของการซื้อการขายหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่มันขยายวงไปสู่เรื่องอื่นๆด้วยนะซึ่งในสุดมันนาไปสู่พฤติกรรม การดำเนินชีวิตที่เราเรียกว่าพฤติกรรมแบบบริโภคนิยมนะพฤติกรรมแบบบริโภคนิยมคืออะไร ก, ก็คือว่าในความหมายที่ว่าคุณอยากจะได้อะไรเนี่ยคุณก็ใช้เงินซื้อแทนที่จะทำเองนะอันนี้คือความหมายแรกเลยคือทุกคนกลายเป็นเพียงแค่ผู้บริโภค เราริโภคนะการศึกษาเราบริโภคข้อมูลเราบริโภคบริการทางการแพทย์เราบริโภคแม้กระทั่งศาสนานะสุขภาพนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องทำเองแต่เป็นเรื่องที่เราต้องซื้อเขาซื้อบริการการศึกษาไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้เองเราต้องมีเงินเพื่อที่จะซื้อการศึกษานะทุกอย่างต้องใช้เงินซื้อ การใช้เงินซื้อนี่เราเรียกว่าเป็นเรียกว่าทําให้เราการเป็นเียงแค่ผู้บริโภคแต่ประเด็นที่มันลึกกว่า น, นั้นก็คือการการมุ่งที่จะเสบมากกว่าการมุ่งที่จะผลิตการมุนะ่งที่จะเสพมากกว่าการมุ่งผลิตอย่างที่อาตรมาบอกนะอย่ามีสุขภาพดีก็ แทนที่จะวิ่งออกกำลังกายแทนที่จะคุมอาหารแทนที่จะเล่นโยคะนะก็ไปนะไปซื้อยามากินนะยาลดความอ้วนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนแทนที่จะออกกำลังกายเพื่อลดความอ้วนก็ไปซื้อยามาเพราะว่ามันเร็วดีแล้วก็มันไม่ต้องลงทุนลงแรงอยากไปเที่ยวป่าเรอก็ไปซื้อทัวร์ ไปซื้อทัวมันสะดวกไงบางทีทัวนี่ก็สับก็ทำให้เรานี่ไปเที่ยวป่าได้โดยที่ไปท่องไปท่องป่าโดยที่เราเท้านี่แทบจะไม่ต้องแตะแตะพื้นเลยก็ไดนะ้ทุกอย่างใช้วิธีการซื้อหมดนะแม้กระทั่งคุณอยากจะเป็นคนรุ่นใหม่เหรอ คุณอยากจะเป็นลูกผ so, ู dead, <Yes. S 2> ้ชายเหรอคุณก็เพียงแต่ซื้อน้ําอัดลมยี่ห้อหนึ่งคุณก็เป็นคนรุ่นใหม่แล้วใช่ไหมคุณอยากเป็นลูกผู้ชายตัวจริงเหรคุณคุณก็ซื้อซื้อเครื่องดื่มชูกําลังยี่ห้อหนึ่งคุณก็เป็นลูกผู้ชายตัวจริงแล้วแทนที่จะต้องสมัยก่อนนี่จะเป็นลูกผู้ชายตัวจริงต้องพิสูจน์นะต้องพิสูจน์ด้วยการสามารถจับคนที่มันมาขโมยวัวขโมยวัวขโมยควายได้คุณถึงจะเป็นลูกผู้ชาย คนภาคใต้เนี่ยจะแต่งงานเนี่ยเวลาเวลาเวลาลูกเขยเวลาผู้ชายจะมาขอลูกสาวเนี่ยก็จะถามว่าไอ้นี่มันลําโนราได้ไหมแล้วก็มันขโมยวัวขโมยควายเป็นหรือเปล่าภาคใต้จะถามนี้นะถ้าขโมยวัวขโมยควายไม่เป็นนี่อย่ามาเป็นลูกลูกเขยฉันนะเพราะว่าขโมยวัวขโมยควายมันมันเป็นกีฬาหนึ่งพิสูจนได้เห็นความเป็นลูกผู้ชาย ต่สมัยนี้ก็ไม่ต้องอะไรก็คุณมีแต่ซื้อซื้อซื้อน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งนะหรือว่าซื้ อ, อเครื่องเครื่องดืมชูกาลังหรือว่าซื้อเสื้อบางยี่ห้อคุณก็เป็นเอกรบรุษ ล, ละใช่ไม้มมันง่ายเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยใช่เนี่ยบริโภคนิยมคืนนี้นะมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าคุณเสพ ในสิ่งที่คุณไม่ได้ผลิตเท่านั้นแต่ว่ามันยังหมายถึงการที่คุณใช้เงินเนี่ยมากกว่าการที่จะลงมือหรือลงแรงทำาอะไรสักอย่า ง, งแล้วประเด็นสำคัญคือว่าคุณเชื่อวความสุขวิทธิการบริโภคความสุขวิทธิการบริโภคยิ่งมีบริโภคยิ่งบริโภคมากยิ่งมีความสุขมาก นี่คือความเชื่ อ, อยในยุคบริโภคนิยมความสุขไม่ได้เกิดจากการที่ได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นความสุขไม่ได้เกิดจากการที่ได้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนนะสร้างวัดสร้างวาความสุขไม่ได้เกิดจากการนั่งทำสมาธิภาวนาความสุขไม่ได้เกิดจากการทำงานที่ชอบแต่ความสุขอยู่ที่ว่าคุณได้กินอะไรได้เสพอะไรได้ใช้กระเป๋ายี่ห้ออะไร ได้ใช้รถยี่ห้ออะไรมีเงินเท่าไหร่ในธนาคารนี่เรียกว่าความสุขอยู่ที่การเสพนะแล้วก็เชื่ออย่างนี้ก็เลยเชื่อว่ายิ่งเสพมากยิ่งสุขมากยิ่งมีมาเท่าไหร่ก็ยิ่งมียิ่งมีความสุขมากเท่านั้นความสุขนี่มันเป็นเส้นตรงนะก็เลยยิ่งต้องมีให้มาก มีร้อยล้านมีมีล้านก็ต้องหายได้สิบล้านมี10ล้านก็ต้องหายได้1 0อยล้านมีร้อยล้านก็ต้องหายได้1000ล้านเพราะคิดว่ามีมากยิ่งสุขมากแต่ความจริงไม่ได้เช่นนั้นความสูตรการบริโภคเนี่ยมันเป็นเส้นมันอาตมาเรียกว่าเส้นโคง้งนะมันเหมือนกับมันเหมือนกับกราฟเส้นโคง้ง นมพูดในแง่พุทธศาสนานะถ้าพูดในแง่ของสังคมบริโภคนิยมก็คือความสุขเป็นเส้นตรงนึกถึงภาพกราฟนะยิ่งมีมากยิ่งสุขมากมันก็จะเป็นเส้นตรงเนั้นคนกย็ยิ่งอยากจะมีให้มากอยากจะมีให้มากมีรถคันหนึ่งก็ไม่พอต้องต้องมี2อคันสองคันไม่พอต้องมี3คัน3ามคันไม่พอต้องมีสมคั น, ค, นนะคำว่าพอนี้ไม่มีในสา ร, ระบบบริโภคนิยม ที่ในหลวงผู้เศรษฐกษิจพอเพียงเนี่ยก็พูดพูดไปไปเปลา่าเป ล, ป ล, ปลแต่ว่ามันขัดกับระบบหรือความวัฒนธรรมบริโภคนิยมเพราะบริโภคนิยมไม่มีคาว่าพอเพราะเชื่อว่ายิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งสุขมากเท่านั้นนั่นก็ต้องมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าในทางพุทธศาสนานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันมีความพอดีของมัน เมื่อเกินความพอดีไปแล้วเนี่ยมันจะให้ผลตรงข้ามความสุขก็เลยเปรียบเส ม, มือนกับเส้นโคง้งคือตอนที่ไม่มีเงินเนี่ยตอนที่คุณไม่มีเงินตอนที่คุณยากคุณยากคนจนเนี่ยมีแค่ไม่มีอะไรจะกินนะ่ะมีแค่สิบบาทนี่ก็มีความสุขมากแล้วเพราะมันหมายถึงอาหารคนหิวเนี่ยพอได้กินอาหารสักมื้อตึงนี้มันเหมือนขึ้นสวรรค์เลยแค่สิบาทเท่านั้นแหละสุขมากแต่พอมีกินแล้วนะฮะพอมีกินแล้วเนี่ย ถามว่าสิบาททําให้มีความสุขบ้างขึ้งไหมไม่ไม่เท่าเดิมแล้วต้องมีร้อยหรือต้องมีพันเพราะว่าถ้ามีร้อยมีพันก็หมายถึงว่าการได้มีมีบ้านมีบ้านเช่ามีบ้านพักแต่ก่อนมีอาหารกินแต่ว่าต้องนอนกลางดินกลางทรายเป็นคนเล่ไม่พอแต่ถ้ามีเงินร้อยมีเงินพันก็มีที่พักแต่ก่อนเนี่ยแค่สิบบาทก็สุขมากแล้วแต่พอมีกินแล้วเนี่ย 10 บ, บาทไม่พอต้องเป็นร้อยหรือเป็นพันความสุขเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพอจนกระทั่งพออยู่พอกินแล้วเนี่ยมีความสะดวกสบายพอสมควรแล้วเนี่ยความสุขจะถึงจุดสูงสุดแต่ถ้าคุณมีมากกว่านั้นเนี่ยคุณก็จะเริ่มทุกข์ละถ้าคุณมีมากจนเกินความความความพอดีไปคือความสบายคุณก็จะเริ่มทุกข์ละทุกข์เพราะอะไรฮะทุกข์เพราะว่าต้องคอย ต้องคอยรักษาทรัพย์สมบัติต้องคอยรักษาทรัพย์สมบัติทุกเพราะว่าไม่รู้ว่าจะใช้เงินอย่างไงดีเวลาจะไปออกงานทีหนึ่งเนี่ยมีรองเท้าอยู่ร้อยคู่เนี่ยตัดสินใจมไม่ได้ว่าจะเคู่ไหนนีออกงานนี้ดีเวลาปิดเทอมนี่ตัดสินใจมไม่ได้ว่าจะไปวากาเช่นที่ไหนลอนดอนปารีสฮ่องกงมาเขาเครียดกลุ่มนะ แต่คนที่มีเงินมีกระเป๋ามีรองเท้ามีเสื้อแค่ชุดเดียวเนี่ยไม่ต้องคิดเลยอย่างตมมนี้ไปงานศพงานอะไรเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องคิดแต่คนมีเสื้อเยอะนี่คิดนะคนมีรถเยอะๆนี่คิดนะว่าไอ้งานนี้จะใส่เสื้อไหนรองเท้าอะไรหรือว่ารถคันไหนก็เลยมีภาิษาอฟริกันขเขาบอกว่า no food one problem ถ้าไม่มีอาหารเลยเนี่ยมีแค่ปัญหาเดียวก็คือว่าจะวันนี้จะเอาอะไรกินแต่เขาบอกว่าทา much food many problems แต่ถ้าคุณมีอาหารเยอะคุณรวยคุณมีปัญหาเยอะเมืม่อเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยมาเดินมิถุนานเนี่ยมีคนหนึ่งถูกหวยยี่สิบล้านบาทเป็นพ่อค้าเล่ นักสิมพ์ไทยรัฐก็ลงข่าวพาดหัวตัวไม้เลยนะหน้าแรกเลยนะเพราะไทยรัฐชอบภาดหัวคนถูกหวยเดือนมีนานนะเนีอะเดือนมิถุน า, นาพอเดือนมก ร, กราคมหนึ่งเดือนให้หลังก็พาดหัวว่าพ่อค้าถูกหวยยีสิบล้านนี้ฆ่าตัวตายทจริงไม่ได้ฆ่าตัวตายคือพยายามฆ่าแต่ว่าไม่ตายทําไม เพราะว่าพอได้เงินมาแล้วเนี่ยยี่สิบล้านเนี่ยแกก็อุตส่าห์เอาเงินเนี่เก็บเงินเอาไว้สักปันเอาไว้สักสามล้านนะเอาไว้แจกญาติพี่น้องแจกลูกก็ให้คนละล้านนะมีเก็บเงินเอาไว้ทําทุนซื้อบ้านซื้อรถแล้วก็เอาเงินส่วนหนึ่งเก็บไว้ธนาคารแล้วเผื่ อ, อไว้สามล้านเนี่ยแจกญาติพี่น้องเพื่อนคนก็มาขอเยอะ แต่คนที่มาขอส่วนใหญ่ไม่พอใจพอะรู้สึกว่าตัวเองได้น้อยขอพันออยากได้ขอพันก็ได้พันก็คิดว่าตัวเองควรจะได้หมื่นได้หมื่นก็คิดว่าตัวเองจะได้ห้ามื่คนไม่พอใจแล้วก็มีบางคนที่ก็โทรศัพท์มาคู่จะฆ่าเขากับเมียเขาเครียดมากเลยเครียดมากก็เลยกินยาฆ่ามันแรง ใจเพือลูกสาวเอามาช่วยไปเห็นช่วยไปได้ทำเขาก็เลยบอกให้สมาัถสุพิม์ว่า ต, ตอนที่เขาเป็นพ่อค้าเล่หาชากินคํามเนี่ยมันมีความสุขกว่าเป็นไหนไหนเนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวอย่างหนึ่งในจำนวนมากมายที่ชี้เห็นว่ายิ่งมีมากไม่ใช่มีความสุขมากนะความสุขเนี่ย ไอการการได้การการมีการมีเศษการมีไว้ในครอบครองเนี่ยมันทำให้คุณมีความสุขได้ในได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเมือนเลยจุดนั้นไปเนี่ยคุณจะทุกข์ทุกข์ก็ต้องคอยดูแลรักษาทุกข์เพราะว่ามีคนมาขอทุกข์อะไรข่ออะไรสารพัด แต่แต่ว่าในยุคบริโภคนิยมเนี่ยเขาจะเขาจะเขาจะมีความเชื่อเลยว่ายิ่งมีมากยิ่งสุขมากตามหลักมัจจตยามใช่ไหมมัจจตยามว่ า, ายิ่งมีมากยิ่งมากก็ยิ่งสุขมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยที่มา น, นําให้ที่เป็นลักษณะของของบริโภคนิยมนะที่ที่ที่กําลังปรากฏในสังคมตอนนี้เนี่ย เมื่อเมื่อมีความพิชช่นนี้เนี่ยคุณก็ยิ่งต้องเอาเงินเนี่ยยิ่งต้องหาเงินมาให้ได้มากเพราะว่ามีเงินมากก็ยิ่งมีสิ่งเสพมากนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการการปฏิเสธสิ่งที่ไม่สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้ หรือการไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไม่สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้เช่นความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือแม้กระทั่งเรื่องความสุขทางใจซึ่งมันไม่สามารถจะตีค่าเป็นเป็นเป็นตัวเงินได้การที่มนุษย์เนี่ยพยายามที่จะนิยบริโภคเนื้อวเราเี่พยายามที่จ ะ, ยายาจะสแสวงหาสิ่งเสพมมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือว่า ความรู้สึเหินห่างจากผู้อื่นความสัมพันธ์เนี่ยมันเริ่มเหินเหินหางจากผู้อื่นเพราะว่าการกา ร, การสัมพันธ์เนี่ยก็สัมพันธ์โดยการเอาวัตถุเป็นตัวเชื่อมการสัมพันธ์โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ว่าจะได้เท่าไหร่ แม้กระทั่งพระกับคารวะเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็สัมพันธ์กันโดยมีมีผลประโยชน์เป็นตัวเป็นเป็นตัวกลางเวลาคารวะมาวัดพระบางทีก็นึกแล้วว่าโยมจะทําบุญเท่าไหร่นะหรือว่าเออมาจ ะ, จะได้จะไดจะได้แจกซองพระป่าทองซองกรถินให้หน่อยส่วนคารวะนี่พอเจอพระก็นึกแล้วว่าเออพระท่านจะให้ให้หวยให้เบอร์อะไรบ้างจะให้เครื่องรางอะไรบางที่ทําให้รวย หรือบางทีก็จะมาขายประกันหรือมาขายสารคัดกับกับวัดนะในนี้มันมันมันไม่ได้มีเรื่องของการเอเรื้อเือเกื้อกูลกันที่เป็นตัวเชื่อมนะแต่เป็นเรื่องการหาผลประโยชน์ผู้งานคือการเอาผลประโยช์เป็นตัวตั้งแล้วเกิดทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ห่างเหินมากขึ้นนะคนก็เหงาเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์ ไม่ใช่เป็นความสำนึกที่มีความเอเื้อเฟือเกื้อกูลหรือความเมตตากันน้นในยุคในยุคบริโภคนิยมเนี่ยนะมันจะมีคนจะรู้สึกนะรู้สึกโดดเดี่ยวนะรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกอ้างวางรู้สึกแปลกแยกบางทีอยู่ท่ามกลางผู้คนแต่ก็รู้สึกโดดเดี่ยวไอ้ที่สำนึคือว่า ทั้งๆ ท, ที่มีความสะดวกมีความสบายแต่หาความสุขไม่ได้ เ, เมื่อเร็วๆนี้เลขาธิการสภา พ, พัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเนี่ยก็บอกว่าไปเยี่ยมชนบทมาหลายแห่งชาวบ้านเนี่ยมีความสะดวกสบายมากขึ้นแต่มีความสุขน้อยลงความสะดวกสบายกับความสุขนี่มันตรงมันไม่ได้อันเดียวกันนะ ในยุคบริโภคนี่เราเข้าใจว่าความสะดวกสบายออกับความสุขเป็นอนันเดียวกันอะไรที่สะดวกสบายมากก็คือความสุขแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ชาวบ้านสะดวกสบายในแง่าการบริโภคความสะดวกสบายนี่เ็เรื่องการบริโภคชาวบ้านสะดวกสบายมากขึ้นในหมู่บ้านในเวลานี้มีมอเตอร์ไซค์มีเครื่องเล่นวิดีโอมีเครื่องเล่น D วดีมีโทรศัพท์มือถือมีรถเครื่อง สะดวกสบายแต่ไม่มีความสุขฮะเวลานอนก็เอามือกา ย, กายหน้าผาบพราไม่รู้จ่าเงินจ่ายหนี้ยังไงนะเพราะความสะดสบายเนี่ยสรํระชาวบ้านแล้วมันต้องแลกมาด้ยต้องแลกโดยการเป็นหนี้ซึ่งทําให้มีความสุขแล้วคนในเมืองก็เหมือนกันนะในยุคปัจจุบันเนี่ยคนนึงมันก็มีความสะขสบายเยอะแต่ถามว่ามีความสุขไหม คว ม, มีความสุขมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่ใช่ตัวเลขก็ดูจากคนที่เป็นโรคจิตเนี้ยคนที่ป่วย เ, ยเป็นโรคจิตเนี่ยคนมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาทุกปีเมื่อเักศึกษาปีก่อนนี่ประมาณตั้งสองล้านคนที่ป่วยเป็นโรคจิตนะตอนนี้ถือว่เป็นสามล้านคนแล้วการฆ่าตัวตายก็เพิ่มขึ้นตอนเห็นนะชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นนะแต่ว่าเมื่อได้มีความสุขมากขึ้นเลยความสุขกลับน้อยลงเสอีกนะ เนียมันมันดูมันขัดแย้งกันนะฮะสะดวกสบายมากขึ้นแต่ว่ากลับสุขน้อยลงแต่ประเด็นที่อาจามาอยากจะย้ำอันนี้คือว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีความพังพร้อมบริบูรณ์มากขึ้นคนนี้บริโภคทุนนิยมเนี่ยทุนนิยมบริโภคเนี่ยแต่กลับบกกว่ารู้สึกคล่องกันมากกว่าเดิม ความรู้สึกคร่องคนในเมืองเนี่ยโดยเฉพาะคนในในใ น, ในชนชั้นกลางเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมีความพังพร้อมทางวัตถุมากแต่กับรู้สึกคร่องไปทุกทีความรู้สึกคร่องมันคล่องข้างในนะความรู้สึกคร่องนี่มันแสดงอาการสองอย่างอันที่หนึ่งคือรู้สึกว่ายังรวยไม่พอยังรวยไม่พอต้องเอาอีกยังเอาอีก มีคนหนึงเขาบอกนะมีเศรษฐีอเมริกันคนนึงเขาบอกว่าตราบใดที่คุณยังนับเงินได้แสดงว่าคุณยังไม่รวยคนคนคนรวยในโลกนี้มันก็เลยไม่เคยไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองรวยสักทีเพราะยังนับเงินได้บิลเกต ย, ยังนับเงินได้ว่าตัวมีอยู่ประมาณ6กหมื่ล้านเหรียญ น, นะก็ยังรู้สึกว่าตัวเอยงยังจนอยู่การที่เศรษฐี ย, ย่างบิลเกตนี่ยัง ยังยังหาเงินมากขึ้นเรื่อยๆอย่นะถึงแม้ว่าเขาจะไปไปทําบุญให้กับมูลนิธิอะไรต่างๆเนี่ยเขายังยังพยายามที่จะผูกขาดผลิตภัณฑ์ของเขาให้ได้มากเนี่ยมันให้เห็นเลยว่าเขายังไม่รู้สึกพอไอความรู้สึกว่าความรู้สึกว่ายังไม่พอเนี่ยคือความพร่องอย่างหนึง่งยังมีไม่พอคุณมีบ้างไหมเออ โทรศัพท์มือถือรู้สึกพอหรือยังนะแฟนเสื้อผ้านี่พอหรือยังนะหรือว่ายังไม่พออันนั่นแหละคือความพร่องถ้านั้งทงี่มีอยู่เยอะนะดูรอบตัวนี่มีอยู่เยอะแต่รู้สึกพร่องความพร่องอย่างแรกที่ปรากฏคือความพร่องทางวัตถุคือความรู้สึกว่ายังไม่พอนะ แต่ความพร่องที่มันลึกไปกว่า น, นั้นเนี่ยคือความพร่องที่ความรู้สึกว่าชีวิตมันขาดอะไรไปบางอย่าง ต, ตรงนี้เนี่ยมันเป็นความพร่องที่ลึกนะความพร่องที่ลึกและความพร่องที่ลึกเนี่ย สำหรับหลายคนเนี่ยก็คิดว่าเอ้ที่มันลึกที่มันรู้สึกน้อนที่มันไม่ค่อยสบายใจมันยังไม่มีความสุขนีเป็เพราะว่าคงเป็นพ่อมีไม่พอมั้งหรือเป็นเพราะว่ายังไม่ได้อะไรบางอย่างมั้งมีเศรษฐีคนหนึ่งเนะี่ยเมืองเมืองไทยเนี่ยมีเงินทำธุรกิจก่อสร้าง จากธุรกิจกอ่อสร้างของพ่อที่ติดลบช่วงเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยแกก็เข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามากู้ธุรกิจของครอบครัวจากภาวะติดลบเนี่ยจนกระทั่งใช้หนี้หมดแล้วก็สร้างกำไรจนกระทั่งสินทรัพย์เนี่ยของของกิจการเนี่ย 12,000 สองล้าน1มื่นสองพันล้านนะแต่เศรษฐีคนนี้บอกว่ามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าผมมันก็แค่เศรษฐีหมื่นล้านคนหนึ่งเท่านั้นแหละเขาบอกทำงานไม่มีความสุขเลยไปทำงานที่ทำงานแต่ก่อนมันมีความสุ ข, ข, ขกระฉาเฉงแต่พอตอนหลังไปก็เซ็งเซ็งเบื่อเบื่อชีวิตขาดอะไรไปบางอย่าง ผมมันก็แค่เศรษฐีหมื่นล้านคนนึงเ่ยเมืองไทยไม่ต้องห้าร้อยคนเขาทํำยังไงฮะเขาคิดว่าไอ้ที่เขาทุกเนี่ยเป็นเพราะว่าเขายังไม่ได้อะไรบางอย่างเขาก็เลยและเขาคิดว่าไอ้ไอ้ที่ไม่ได้นั่นคือเป็นรัฐมนตรีเขาก็ได้โลนจนกระทังได้เป็นรัฐมนตรีช่วยวันที่นายกทักษิณเนี่ยจะจะเอาชื่อเขาเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีช่วยในกระทรวงเนี่ยเขาบอกว่าเขานี่ ถ้าวันนั้นนายทักษศิ ษ, ษ, ษ์ไม่เอาเขาเป็นรัฐมนตรีนี่เขาบอกชีวิตเขาล้มเหลวเลยหมื่นสองพันล้านนะคุณเมสเซนตีเนี่ยคุณยิ่งบอกว่าชีวิคุณล้มเหลวอีกเพรวันที่วันที่วันที่วันที่เขาได้รับเลือกเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่เขาบอกมีเขามีความสุขมากเลย mm hmm. แล้วถามว่าเขาเป็นรัฐมนตรีช่วยวันนี้เขามีความสุขไหม อาตมาเชื่อไม่มีเพราะว่าอยากจะเป็นรัฐมนตรีว่าการแล้วตอนนี้แล้วถามว่าถ้าได้เป็นรัฐมนตรีว่าการในวันข้างหน้าเนี่ยมีความสุขไหมก็คงไม่มีความสุขเพราะว่ากระทรวงที่ตัวเองว่าการนี่มันเป็นแค่กระทรวงเปลขอกระทรวงเกิด A เอนี่ยอยากจะได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่จบนะฮะพอไปคิดว่าไอ้การได้เนี่ยคิดว่าการได้เนี่ยจะทําให้มีความสุขคนที่บริโภคเนี่ยคือเชื่อคิดว่า ถ้าได้เนี่ยทำให้มีความสุขในทางพุทธศาสนานี่ไม่ใช่นะไม่ใช่การได้ไม่ใช่ทําให้มีความสุขนะต้องลดต้องละต้องปล่อยวางนี่แหละคือความสุขมันสวนทางกันนะแต่ยุคทุนนิยมบริโภคเนี่ยยิ่งได้เท่าไหร่ยิ่งมีความสุขแต่ทางพุทธศาสานาบอกว่าคุณต้องละคุณต้องปล่อยยิ่งคุณละคุณปล่อยมากที่เท่าไหร่คุณจะมีความสุขโดวยว่าคุณปล่อยวางเรื่องตัวตน ปล่อยวางเรื่องทรัพย์สินซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เข้าใจทำไมคนไม่เข้าใจคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงเพราะไปคิดว่ามันต้องมีม า, มากๆถึงจะมีความสุขไม่เข้าใจว่าพอเพียงแล้วมันจะมีสุขได้ไงพอเพียงมันก็ทุกข์สิเนะพราะมันยังสุขไม่สมจใจแต่ที่จริงไม่ใช่ปรความสุขคร่องเนี่ยถามว่ามันรู้สึกคร่องเนี่ย ถ้มันไม่ใช่เป็นเพราะว่ามีเงินน้อยไปถ้าไม่ใช่เป็นเพราะว่ายังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วมันเป็นเพราะอะไรถ้าตอบไม่ง่ายคือว่ามันเรายังไม่ค้นพบความสุขภายในยังไม่ค้นพบความสุขภายในเพราะเราไปไปไปหาความสุขจากภายนอกไปหาความสุขจากวัตถุแล้วเราคิดว่าที่เรามีน้อยเนี่ยมันทําให้เรามีทุกข์ สมมติว่าวันวันวันนี้เนี่ยนะมีคนใจดีเนี่ยมาแจากโทรศัพท์มือถือให้คุณคนละเครื่องคนละเครื่องคนละเครื่องมีความสุขไหมแต่ถ้าเกิดว่าที่เพจันนี่เขาได้สองเครื่องอนะ่ะคุณจะมีความสุขอยู่ว่าเวลาทำงานโบ น, นัสอยู่ในอยู่ในออฟฟิศเนี่ย ได้โบนัสได้โบนัส1มื่หนึ่งมีความสุขนะแต่พอรู้ว่าเพื่อนได้โบนัสสอง0มืยังมีความสุขอยู่หรือเปล่าไปซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องหมนะื0นหนึ่งแต่คุณซื้อได้ห0พัน กลับมาบ้านก็ดีใจนะมือหนึ่งซื้อได้หกพันแต่บอกว่าข้างบ้านก็ซื้อได้สี่พันที่เคยยิ้มนี่หุบเลยนะเคยไปนอกไปซื้อสุวินเนียเนี่ยคุณเคยไปไปไ ป, ไปบุบ้านชาวขลุ่ไปต่างประเทศเนี่ยไปซื้อสุวเนียอุตสาต่อมาได้ต้องที่เขาเขาขายห้าร้นต่อมาได้หรือสองร้อยบอกว่าพอร่วบเพื่อนนี่เขาซื้อได้ร้อยหนึ่งเนี่ย อย่างเดียวกันเลยรู้สึกยังไงเราไปคิดว่าไอ้ที่เราทุกเนี่ยเป็นเพราะว่าเราได้น้อยกว่าเขาแต่จริงหรือเปล่าเป็นเพราะว่าฉันได้โทรศัพท์ฉันได้เครื่องเดียวแต่คนอื่นเขาได้สองเครื่องฉันได้บนนัดหมื่นแต่เพนนื่นได้บนั ส, สองหมือเป็นเพราะได้น้อยไปหรือเป็นเพราะเราวางเราเราวาง เรามองไม่เป็นเราชอบไปมองเปรียบเทียบคนอื่นตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้สึกพอใจในสิ่งที่เรามีใครก็จะมีก็ใครก็จะมีแค่ไหนก็ช่างหนิแต่ขอฉันฉันมีของฉันน่ะฉันซื้อโทรศัพท์มือถือมาได้หกพันเป็นของดีสุดด้วยฉันน่าจะมีความสุขใครจะซื้อได้น้อยก็ช่างเขา แต่คนเราเนี่ยชอบไปเปรียบเทียบเนี่ยการที่ไปเปรียบเทียบอยู่เ ส, สมอทำให้คนเรามีความทุกข์และบริโภคนิวไม่เคยทำให้เรารู้สึกว่าเราทุกเราเราไม่เราไม่มีเราคล่องตลอดเวลาเพราะเราชอบไปเปรียบเทียบคนอื่นเวลาโฆษณานี่ evet. นยก็จะเอาดารามาให้ให้เรารู้สึกว่าเรานี่ยังยังสวยไม่พอผมเรายังหยาบอยู่ใต้วงแขนของเรายังไม่ขาวพอไม่เหมือนดาราทั้งน้นที่เราก็รู้ว่าเขาดีทัชนะ แต่เราลเราก็รู้สึกว่าเรานี้ยังสวยไม่พอเรานี้ยังดีไม่พอยังมีไม่พอยังเทพไม่พอนี่ความรู้สึกคล่องมันเกิดขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะแล้วความรู้สึกคร่องส่วนลึกเนี่ยมันทำให้คนเรานิ่งๆต้องไปหาวัตถุมามากขึ้นเรื่อยๆเพื่อมาทดแทนความพร่องเรารู้สึกว่า ต้องการได้ตัวตนใหม่เพราะตัวตนที่มีอยู่มันไม่ดีพอเราต้องการเป็นคนใหม่เป็นคนรุ่นใหม่นะแล้วก็เวลานี้บริโภคนิยมเนี่ยเขาเขาฉลาดตรงที่เขารู้ความต้องการคนเราว่จริงๆเนี่ยคนเราลึกๆมาต้องการตัวตนใหม่เชียนเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนทันสมัยนะเขาก็เอาสิ่งนี้นะมาม า, มาตอบสนองเรา วนดียวนี้เวานี้เนี่ยการขายสินค้านี้เขาไม่ได้ขายด้วยการเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าแล้วนะแต่เขาเน้นเรื่องภาพลักษณ์แมคโดนัลล์บริษัทแมคโดนัลล์เขาบอกว่าเขาไม่ได้ขายโภชนาการนะบริษัทแมคโดนัลล์บอกเขาไม่ได้ขายโภชนาการนะแล้วคนมาคนไม่ได้มามาซื้อแมคโดนัลล์เพราะต้องการโภชนาการด้วย คนต้องมาตั้กโดนแต่ไม่ได้เพราะมันอร่อยนะแต่เพราะว่ากินแล้วมันจุ้ยดีนะเมืม่อกินน้ำอันลมนะน้ำอันลมเขาไม่โฆษณ า, าความอร่อยนะเขาจะโฆษณาว่าถ้าคุณคุณได้เสกมันคุณจะเป็นคนรุ่นใหม่แค่ไหนชหนี้สอ ง, ส, องดดสังเกตูสินค้าที่เขาเขาขายเขาจะไม่ไน้คุณภาพแต่เขาจะเน้นตัวพรีเซนเตอร์หรือในเรื่องภาพลักษณ์เพื่อให้คนซื้อเนี่ยซื้อเพื่อที่จะได้ภาพลักษณ์ และคนเวลานี้เนี่ยซื้อต้องการภาพลักษณ์เขต้องการตัวตนใหม่ต้องการเผู้ชนะเป็นคนรุ่นใหม่ต่างๆแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะทําให้เรามีตัวตนใหม่ได้เพราะว่ามันไม่สามารถจะลดความพร่องได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ความพร่องเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความมีหรือไม่มีเนี่ยชีวิตที่เต็มอิ่มไม่ได้อยู่ที่การบริโภคแต่มันอยู่ที่การที่แต่คุณ คุณพบอะไรข้างในคุณมีความสุขภายในคุณสามารถที่จะเข้าใจลึกซึ้งถึงแก่นแท้หรือเปล่าแต่ปัญหาของบริโภคนี่มันคือว่ามันทําให้เราเนี่ยไปเน้นที่ข้างนอกไปเน้นไปให้คุณมค่ากับสิ่งที่ตีค่าเป็นตัวเงินได้เป็นเน้นกับวัตถุแล้วก็เราก็ลืมกลับมามองที่ตัวเราเองเราไม่มีเวลาอยู่กับตัวเองและเราทนที่อยู่กับตัวเองไม่ได้ ถ้าเราอยู่คนเดียวในห้องเรากระสับกระสายหรือถ้าเราไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์สมัยนี้เนี่ยคนสมัยนี้อยู่อยู่อยู่อยู่คนเดียวไม่ได้นะเสาร์อาทิตย์ต้องไปแล้วต้องไปช้อปปิ้งเพื่อจะได้หนีตัวเองถ้าเลิกถ้าเลิกเรียนแล้วก็ต้องโทรศัพท์แล้วหรือแม่ก็เล่นเกมออนไลน์อยู่กับตัวเองไม่ได้ทนตัวเองไม่ได้ แปลกแยกกับตัวเองเราไม่ได้แปลกแยกตัวเองอย่างเดียวเราแปลกแยกคนอื่นด้วยนะเราแปลกแยกคนในครอบครัวแปลกแยกกับพ่อแม่เมื่อเห็นโฆษณาไทยประกันชีวิตอนะ่ะเคเห็นไหมโฆษณาไทยประกันชีวิตที่พ่อทะเลาะกับลูกอนะ่ะแล้วรถชนรถชนตายให้แบบนี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นกันทั่ว แล้วพอเราไม่รู้จักตนเองเนี่ยเราก็อเรื่องมิตินั้นจิตใจก็มองข้ามไปและสิ่งนี้ถามว่ามันมันไปโยงกับเรื่องความตายยังไงพูดมาเรื่องความตายมาพูดเรื่องชีวิตมากพูดเรื่องความตายเลยความตายที่อุปิพวกเนี่ยมันมันมันมันเป็นปัญหาเพราะว่าเพราะว่าคนในปัจจุบันเนี่ยมันแปลกแยกกับตัวเอง แล้วก็ปฏิเสธมิติด้านจิตใจมิติด้านจิตวิญญาณเราไปให้ความสำมคัญกับวัตถุมากเกินไปเราไปคิดว่าความสุขของเราเกิดจากการบริโภคเราคิดว่าความสุขเกิดจากการได้ครอบครองวัตถุตรงทั่งเราไปมองในแง่ห น, นึ่งเนี่ยเรากลัวความตาย เพราะว่าความตายเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถเสพไม่สามารถบริโภคไม่สามารถจะครอบครองสิ่งต่างๆได้อีกต่อไปความตายเป็นสิ่งที่คนสมัยนี้รับได้ยากเพราะว่ามันหมายถึงการที่ไม่มีโอกาสได้เสพได้ไม่มีโอกาสได้บริโภคมันหมายถึงการที่ต้องพลัดพรากตัดขาดจากสิ่งต่างๆเพราะตัวตนของเราเนี่ยมันเกิดจากการมีการเสพการบริโภค บริโภคนิยมนี้มันทําให้เรารู้สึกืว่าตัวตนของเราเนี่ยเกิดจากการมีการเสพการบริโภคใช่ไหมตัวตนของเราเนี่ยมีค่าแค่ไหนขึ้นอยู่ว่าเรามีรถกี่คันขึ้นอยู่ว่าเรามีเงินเดือนเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าเรามีทรัพย์สมบัติมากแค่ไหนแต่พอนึกถึงว่าเราต้องพัดพลาดจากสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหลา่าจะสูญหายไปทันทีมันตกใจมันรับไม่ได้ จะต้องพัดพลาดจากสิ่งเหล่านั้นจะต้องศูนย์ูนสิ้นจากสิ่งเหล่านั้นตัวตนของเราจะไม่มีที่ตั้งจะไม่มีที่รองรับมันรับไม่ได้และความตายเป็นเน่ากลัวสําหรับคนสมัยใหม่โดยเฉพาะในยุบริโภคเนื่อเพราะว่ามันมันหมดโอกาสที่จะเสพหมดโอกาสที่จะบริโภคแล้วนมาถึงความพัดพลาดสูญเสียซึ่งกระทบไปถึงแก่นแท้ของตัวตน และความตายเป็นสิ่งที่เราลับไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสนึกถึงมันเท่าไหร่เพราะช่งเราเนี่ยถูกกระตุ้นให้เอาแต่เสพเอาแต่บริโภคเอาแต่เที่ยวคนอยู่นี่เที่ยวคนอยู่นี่บริโภคจนะทั่งลืมตา ย, ยลืมนึกว่าตัวเองต้องตายทุกคนเนี่ยคุณทุกคนรวมทั้งตาม า, ากทจะต้องตายแต่ว่าบริโภคนี้มันก็ทําให้เราลืมสนุกเถอดนะชีวิตมีแต่วความสุขเรามาสนุกกันเถิดไง มันมีแต่ความสนุกสนุกสนานตลอดเวลาที่บริโภคนิยมแต่พอมา น, นึกว่าสักวันหนึ่งวันนั้นจะหมดไปเนี่ยมันใจหายว่าบเลยสังคมสมัยก่อนเข้าไม่เป็นเป็นสังคมซึ่งเน้นเรื่องความสนุกสนานมากก็มีความสนุกสนานตามประเพณีแต่ไม่ใช่สนุกสนานกันตั้งแต่24ชั่วโมงตลอดปีแต่คุณดูแต่เชียงใหม่เนี่ยมันมีมัน ม, มนีเดี๋ยวนี้มันมีมัน มันให้ความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันมีแต่ความสุขตลอดเวลาคุณมีโอกาสเสพบริโภคตั้งแต่ยี่บสี่ชั่วโมงเลยตลอดวันคนนี้ี่ลืมตายเนี่ยพราะว่าคิดเพลินกับความสุขความสมนุกแล้วก็เลยประมาทแล้วก็เลยลืมแล้วประการต่อมาคือว่าเราถูก เนื่องจากเขาเนี่ย พ, tongue, พยายามสร้างภาพไปเห็นว่าชีวิตเป็นเรื่องความสุขความสูนศาสนาเน่ยเขาจะเอาความตายเนี่ยดึงออกไปจากชีวิตจริงคนสมัยก่อนเนี่ยนยีความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะว่าคนก็ตายกันที่บ้านก็นาตายกันที่บ้านเด็กตั้งแต่เล็กก็เห็นคนตายแล้วปู่ตายย่าตายแม่ตายพ่อตายตายกันที่บ้านเพื่อนบ้านก็ไปเห็นความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ในนี้ความตายมันถูกพรากออกไปจากบ้าน จริงตั้งแต่เริ่มป่วยก็ไปโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมและเวลาตายเราก็ไม่เห็นคนตายเพราะเขาตายในห้องไอซูส่วนใหญ่เก้าบเปตายในโรงพยาบาลอีกสิอร์ซก็ตายข้างถนนอุบัติเหตุอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่เคยได้เห็นความตายมันถูกพากออกไปจากชีวิตจริงแล้วพอถึงเวลาไปงานศพก็ไม่เห็นคนตายเพราะว่าอยู่ในโลงแล้วก็ทําให้โรงสวยอย่างดีนะฮะทำใหเป็นของดีเดี๋ยวนี้ก็มีไฟคริสต์มาส ประดับด้วยมีอะไรเดี๋ยวนี้ในชนบทมีไฟคริสต์มาสมันมาเป็นกรุงเทพแล้วนี่โยมพระอาตมาเนี่ยเพิ่งเสียเมื่อเมื่อสองเดือนก่อนในกรุงเทพเนี่ยวัดนะวัดวัดอย่างดีนะเขาจะเอาไฟคริสต์มาสไฟคริสต์มาส ป, ปีใหม่มาม า, มาประดับโรงอาตมาอเอาออกไปเลยใช่ไหมมันไม่มันมันคือขาพยายามใช้มันเป็นเรื่องสวยงามเรื่องที่เขาเรียกสันนิษฐานีุดทำให้เป็นเรื่องสะอาดเรื่องอะไร สมัยก่อนนี่เวลาเวลาพระสวดก็สูตรกลิ่นสพไปด้วยเวลาเวลาทําบุญลิ้มพระบางทีไปรับผ้าบางสุกุลเนี่ยไปรับที่ว่าถอนรูปคุณที่วัดตมาบวชเนี่ยผ้านี่ต้องเวลาเวลาจะเวลาจะเผาเนี่ยต้องไปต้องไปรับต้องไปต้องมีการทอดผ้าบังสุกุลใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ก็จะเอาคนใหญ่คนโตนี่มามาทอดผ้าเอาเอาผ้านี่มามาวางไว้ที่โรงแล้วก็ให้พระมารับ แต่สมัยก่อนเนี่ยหลายแห่งเลยคุณต้องไปรับกับศพศพเขาก็จะบางทีก็มาตั้งไว้ในรแล้วก็ทำให้มันทให้ให้อย่างที่พระทอทศคุณเนี่ยบางทีก็ต้องต้องเหยียบเพื่อให้ศพเนี่ยต้องต้องทให้ศพเนี่ยตั้งขึ้นกระดกเนี่ยนะเป็นไม้กระดงเนี่ยศพตั้งไว้บนไม้กระดกแล้วก็พอพอพัดเหยียบเนี่ยศพก็จะจากนอนก็จะมาขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็ทอดผ้ากะทอดตรง ตรงที่มือศพเนี่ยพระก็รับจากศพนะคือเห็นคนตายเห็นความตายเป็นธรรมดาแล้วก็ความตายก็ดูมันก็เน่าเหม็นอย่างนี้แหละคนเวลาตายก็เหม็นจนะเดี๋ยนี้เรายอมรับไม่ได้ว่าคนนี่มันเหม็นนะ่ะนะครนมีใครที่มีกลิ่นตัวถือว่าน่าเกียดแล้วต้องหาทางปกกลิ่นตัวท้องพิงและผู้ชาย เราไม่สามารถจะรับความจริงได้ว่าคนเรานี่มันมีทั้งด้านที่สวยและด้านที่ไม่สวยที่เราอัสุภาพสังคมเนื้อเืองมันสังคมบระชาคมนิยมทําให้เราเห็นด้านเดียวคือด้านที่สวยนะเดี๋ยวนี้คนตดก็ไม่เหม็นแล้วกลิ่นไม่เหม็นแล้วยี่ปุ่นเ้าก็มียานะเขามียาเอาไว้กินเพื่อให้ตดนี่หอมถึงขนาดนี้นะคือตดเหม็นไม่ได้แล้วนะมันมันปิดบังความจริงถึงขนาดนี้ นั่นเราก็เราก็ยังเราความเราก็ไม่สามารถจะเข้าใจความตายได้าความตายเนี่ยความตายมันเป็นโอกาสดีที่ทําให้เราเห็นอีกด้านของชีวิตว่าชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละมีเกิดมีตายมีด้านที่สวยและด้านที่ไม่สวยอสุภะนะบริโภคนี้มันทำให้เราไม่เห็นตรงนี้แล้วก็เราเราก็เลยมองชีวิตแบบที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงแล้วเราก็เลยปล่อยวางไม่ได้ คือเราเห็นด้านที่ไม่สวยของโลกเพื่อจะยลละความจริงแล้วเราจะได้ปล่อยวางได้ว่าเออมันมีเกิดมีตายมีมีได้มีเสียมีสารสนสน์มีนิทานของคู่กันมีสวยและไม่สวยของคู่กันแต่ในนี้เราจะอยู่เอาแต่ของสวยอย่างเดียวพอแฟนเริ่มแก่หรือไม่สวยก็ทิ้งแล้วเพราะไปคิดเพราะไปหวังอย่างเดียวมันต้องสวยต้องงามเนี่ยแต่ถ้าเราเนี่ยความตายมันก็เลยกลายเป็นของที่ เราแปลกแยกกับมันมากขึ้นแล้วเราก็เลยยอมรับไม่ได้ความตายที่เรารับรู้เป็นความตายชั้นสองความตายมือสองคืออะไรฮะก็คือความตายจากโทรทัศน์จากข่าวจากหนังสือพิมพ์จากไทยรัฐซึ่งไม่ได้ไม่ใช่เป็นอะไรกับเราเลยคนที่ตายความตายจากวิดีโอเกมซึ่งมันไม่ใช่เรนะื่องน่ากว่าความตายในหนังนะแต่เรานี่ไม่ใช่ของจริง แั้นพอเราพอเราจะเผชิญกัความตายเราทําใจไม่ได้เราทําใจไม่ได้และเมื่อเราจะเผชิญกตายาทําไงานต้องแผลยืดยชีวิตให้ได้มากที่สุดต้องหาเครื่องไม้เครื่องมือมายืดชีวิตให้ได้มากที่สุดเิีงแค่ต่อลมหายใจเราทําเช่นนี้กับพ่อกับแม่กับคนรักของเราและต่อไปคนหนึ่งก็จะมาทํากับเราอย่างนี้ด้วยตอนน้องที่มันทรมาน เราไม่สามารถจะมองเห็นว่าความตายมันมี อ, อีกด้านหนึ่งความตายเนี่ยมันไม่ใช่แค่วิกฤตมันเป็นโอกาสด้วยมันเป็นโอกาสในการที่คนเราจะได้ค้นพบความหมายในชีวิตมันเป็นโอกาสที่คนเราจะาได้ค้นพบความสงบในชีวิตแต่ในยุคบริพนธ์โยมจะไม่เข้าใจเพราะเขามองชีวิตแต่ในแง่วัตถุถ้าเกิด ไม่มีโอกาสได้เสพวัตถุบริโภควัตถุชีวิตมันก็ไร้ค่าเขามองชีวิตแต่ในแ ง, ง่ทางกายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยหมองความตายเป็นเรื่องน่ากลัวเพราะว่ามองความเจ็บปวดเป็นเรื่องน่ากลัวเพราะมันคือความเจยบความปวดความตายมันคือการแตกสลายของของร่างกายแต่เขาไม่ได้มองไปถึงมิติเรื่จิตใจว่าแม้ร่างกายจะเจ็บป่วยแต่ใจเนี่ยอาจจะผ่องแผ้วอาจใจอาจจะสงบใจอาจจะเป็นสุขก็ได้มีหลายคนก็บอกว่าโชคดี ที่เป็นมะเร็งและคนบอกว่าโชคดีที่เป็นเอมันันนบผู้ป่วยบางคนเป็นมะเร็งเขาบอกว่าการที่เขาป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยนอนอยู่นโรงพยาบาลเนี่ยสองปี เ, เป็นชว่วงที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาคนที่พูดนี้เด็กก็พูดนะมีเด็กคนนึงก็บอนี่เป็นโชคที่ดีที่สุดของเขาเพราะว่าเขาได้มีโอกาสอยู่กับพ่อกับแม่แม่ต้องลางานแม่ต้องลาออกพ่อต้องลาออกเพื่อมาเพื่อม า, อ ม, ามาดูแลรักษามาเฝ้าไข้ลูก ลู้มีความสุขมากเลยที่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เพราะแต่ก่อนนั้นไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อกับแม่ไปทํามาทํางานก็นไม่ค่อยได้เจอกันเจ็บป่วยแล้วได้ได้มีโอกาสเจอร่างกายมันปวดแต่ใจมันเป็นสุขที่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ใจเป็นสุขที่ได้คนพบความหมายของชีวิตเพราะว่าตอนที่ตอนที่ยังสบายอยู่เอาแต่เที่ยวเล่นไม่เห็นคุณค่าของชีวิตไม่เห็นคุณค่าของเวลาที่มีอยู่แต่พอพบว่าตัวเองเป็นเอชเป็นมะเร็งเนี่ยโอ้มันกลัวตายนะ แต่ว่าพอทําใจได้ก็รู้สึวชีวิตมันมีคุณค่าเวลาที่มีอยู่มีคุณค่าได้ทําความดีได้ทําสมาธิภาวนาได้ศึกษาธรรมะได้ค้นพบความหมายของชีวิตว่ามันมีมิติด้านจิตใจที่เรามองข้ามไปแต่เราค้นพบมันที่สุดว่าคนรอนั้นสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่วัตถุถ้าเราเข้าใจใตรงนี้เนี่ยนะว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจเนี่ยความป่วยความเจ็บไม่น่ากลัว ความตายไม่น่ากลัวมันป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจนี่ทำได้ทุกกายแต่ไม่ทุกใจนี่ทำได้ถึงแม้ไม่ได้เสพไม่ได้บริโภคแต่มีความสุขนี้เป็นไปได้มีน้อยเสบน้อยแต่มีความสุขภายในจิตใจนี่มีความร่ำรวยเป็นไปได้แต่สิ่งนี้สังคมบริโภคนิยมเนี่ยมันจะไม่พูดเลยจะไม่จะไม่บอกเลยเพราะก็จะบอกว่าอย่างเดียวคุณต้องมีเสพมบีบริโภคให้มากที่สุด คุณต้องรวยให้มากาากว่านี้รัฐบาลบอกแล้วคุณต้องคุณต้องเป็นหนี้คุณถึงจะคุณถึงจะรวยคนไยคนไทยต้องเป็นหนี้ถ้าเป็นหนี้แล้วจะได้นอนไม่หลับจะได้เขียนธรรมะหากินจะมานอนสบายนั่งสบายไม่ได้จะเอาไปเอาเวลาไปทําสมาธิเสียเวลามาหาเงินจ่ายหนี้ดีกว่าประเทศจะได้ร่ํารวยคิดแต่ในแง่วัตถุ ดนั้นชีวิตและความตายของชีวิตในสังคมบริโภคนียมันเปชื่อซึ่งทําให้เรามองข้ามความตามองเห็นความตายแล้วก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะเผชิญความตายได้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้มีคนจำนวนไม่ไม่น้อยเลยเนี่ยที่ที่เขาสามารถที่จะสงบใจได้แม้เขาจะทุกข์มากเหลือเกิน หนเวลาคนเวลาคนป่วยเนี่ยเราใช้แต่เรื่องเราคิดแต่เรื่องการใช้เทคโนโลยีในการรักษาเขาแต่ไม่ได้นึกเลยว่าเออทาไงถึงจะดูแลทางจิตใจเขาได้เราไม่ได้เตรียมตัวตด้านจิตใจเลยเวลาจะตายเราคิดแต่เดียวว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรจะรักษา uhm ด้วยวิธีไหนถ้ากลมมถ้าลมหายใจหยุดเต้นจะต้องปั๊มหรือไม่จะสอดท่อใส่สายอะไรบ้าง เราคิดแต่ทางนิติร่ายในในเชิงกายภาพแต่เราไม่เคยเตรียมตัวด้านจิตใ จ, จเลยไม่ว่าตัวเราในขนะที่เป็นผู้ป่วยหรือไม่ว่าตัวเราในขนะ ท, ที่ไปช่วยดูแลผู้ป่วยทีย่นี่การเตรียมตัวเตรียมใจไม่มีเราคิดแต่เรื่อง ก, การเตรียมทางด้านวัตถุทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็เลยผลักเรื่องนี้ไปให้หมอเพราะหมอเท่านั้นที่จะตัดสินใจได้ว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรญาติก็ทําได้เพิ่มข้อหาเงินมาจ่าย แล้วก็ญาติทุกคนก็อยากจะให้ทำเต็มที่นะให้ปัม๊มให้ต่อท่อต่อสายยางแต่ถามว่าถ้าตัวเองเป็นอย่างนั้นบ้างจะให้หมอทำไหมหลายคนก็บอกไม่เอาไม่อยากให้หมอทำงานกับตัวเองแต่อยากให้หมอทำกันกับกับพ่อกับแม่ที่ตัวเองรักาะอะไรไม่ใช่เพราะเขาใจรายแต่เพราะเขาคิดว่าเขาไม่ได้ทำอะไรได้มากกว่ น, นี้แล้วเขามีแต่เงินนะก็เลย ให้หมอทำเต็มที่แต่เขาไม่ได้คิดว่าเขาสามารถจะช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยคนรักได้ด้วยวิธีอื่นด้วยการเตรมใจด้วยการให้ความลับด้วยการทาในสิ่งที่ช่วยทาให้เขาเนี่ยได้ปล่อยวางในสิ่งนี้เป็นสิ่งมีค่ามาหาศาลที่เราทําได้กับผู้ป่วยช่วยเขายอมรับความตายสงบและช่วยเขาสามารถที่จะวางจิตวางใจได้ และความตายอย่างสงบนี่เป็นความตายซึ่งเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะฮะคุณมีเทคโนโลยีคุณมีเงินร้อยล้านพันล้านคุณก็ซื้อความตายอย่างสงมบมไม่ได้แล้วคนส่วนใหญ่คิดว่าก็ใช้ก็ไปจ้างหมอที่ดีที่สุดลรงพยงาบาลที่ดีที่สุดก็แล้วกันแต่มันมีหลายกรณีเลยที่พบว่าถ้าเตรียมใจไว้ดีแล้วนี่แม้แต่หมอยังตกใจเลยว่าเป็นไปได้ยังไงอย่างเช่นเมื่อพี่เพื่อนของพี่ของเพื่อนตามาคนนึงเนี่ยมาเร็งตับนะ แล้วต่อหลังตับมันเป็นพิษเพราะว่าท่อน้าดีมันจะอดตันยังไงไม่ทราบ่าพิษน้ําดีมันจะเข้าไปทําลายตับเขาไปอยู่โรงพยาบาลรักษาจนทัานเขาบอกว่าเขาเชื่อว่มันไม่ไหวแนละ้วเขาก็บอกเขาขอมาตายที่บ้านดีกว่าเขาไม่รับไม่รับการรักษาแต่ก่อนนั้นเขาก็ทาสมาธิพอนานเลยไปนะฮะแต่เขาก็รักษาตามอาการเสร็จแล้วช่วงสุดท้ายเนี่ยเขาไปไปให้หมอตรวจตับแล้วตับมันไม่ไหวแนละ้วหมอบอกว่าถ้าเขาไม่รักษาเนี่ยถ้าเขาไม่รักษาตับเนี่ย ถ้าเขาไม่อยู่โรงพยาบาลต่อไปเนี่ยเขาก็จะเบลอแล้วเขาจะตายไปอย่างอย่างเหมือนผักจะเริ่มตายจะเริ่มเป็นผา ว, วก็ตายแต่พี่หลงเพื่อตะมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่นะเขาขอมาตายที่บ้านแล้วเจ็วันสุดท้ายเนี่ยหมอแปลกใจมากเพราะเขารู้ตัวตลอดหมอลู่เขารู้ตัวตลอดหมอว่าปลกใจปกติคนแบบคนที่เป็นโรคที่ต้องต้องต้องเบลอแล้วก็จะต้องเป็นจะต้องคมมากแล้วก็ตายเขไม่รับการรักษา แต่เขาอยู่บ้านเนี่ยเขาก็สิ่งที่สิ่งที่เขาสิ่งที่ทำก็คือการดูแลทางด้านจิตใจนะลูกน้องแม่หลานมากันมากันพร้อมหน้าคนป่วยก็เห็นลูกหลานพ่อแม่พี่น้องพร้อมหน้าก็สบายใจแต่ก็ไม่ได้ทำแค่นั้นเขาช่วยกันสวดมนต์สวนมันก็สวดแบบคนจีนนะ สั้นๆสวดพันจบช่วยกันสวดนะรอบเตยช่วยกันสวดเพราะเป็นบทสวดที่เขาเขาเขาเขาเชื่อคนตายก็ยื้อเขาห้าสิบกว่างนันเน่งสวดไปแล้วคนคนคนป่วยรู้เรื่องรู้ตัว ต, วตลอดจนกระทางวันสุดท้ายเนี่ยวันสุดท้ายตอนบ่ายก็ยังบอกขอกินข้าวกินข้าวแค่สองสามสองสามช้อนก็ก็พอแล้วแล้วก็หลับแม่มาหาแม่มาแม่แม่ก็แ ม, แม่มาจับตัวมาพูดคุยแล้วก็ดูเหมือนรู้สึกตัวตอนบ่าย บายโมงหลังจากนั้นไม่นานก็สวดมนต์รนะอบเตียงพี่น้องเพื่อนลูกภริยาสามีแม่สวดมนต์พันจบล้วไม่ถึงพันเลยเพราะบอกว่าหมดลมแล้วหมดลมตอนไหนไม่รู้ถ้า ท, ที่ก่อนหน้านั้นช่วมง2องทุ่มมนอยากกินข้าวเลย่ยวันที่เจหลัง จ, จงงากเยาะโรงพยาบาลหมดลมหมอก็แปลกใจมันเป็นไปได้ยังไงคือเขารู้ตัวเกือบจะจนถึงนาทีหรือชั่วโมงสุดท้าย หรืออาจจะนาทีสุดท้ายแล้วก็หมดลมไปก็เป็นคารวะธรรมนาก็ไม่ปฏิบัติธรรมอะไรแต่ว่าเพราะสามารถตาง ส, สงบเพราะว่าการให้ความสงบกับมิติด้านจิตใจเทคโนโลยีปล่อยไปเรื่องร่างกายไม่เป็นไรมันสุขวิสัยไม่รักษาแล้วช่างมันเรื่องใจสำคัญในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเงินซื้อไม่ได้วัตถุ ท, ทาไม่ได้มนต้องใอาสายใจแล้วเนี่ยจะความสุข ความสงบในวารสุดทางชีวิตกะดีหรือความสุขในยามมีชีวิตมีลมหายใจก็ดีเป็นสิ่งซึ่งมันต้องอาศัยมิติด้านจิตใจซึ่งวัตถุที่เป็นแค่ส่วนประกอบแต่ไม่ใช่สิ่งทั้งหมดพระธรรมคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยมันสิ่งที่เร า, าต้องต้องเรียนรู้แม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางบริโภคนิยมแต่ว่าต้องเรียนรู้ที่จะค้นพบให้ได้ให้ค้นพบความสุขภายในจากจิตใจให้ได้วัตถุเป็นเพียงสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกแต่ไม่ใช่ความสุข ความสุขที่ใจไม่ใช่ใจที่คิดจะเอานะฮะแต่เป็นใจที่พร้อมจะปล่อยพร้อมจะวางจนกระทั่งแม้ยิ่งในเวลาสุดท้ายแล้วปล่อยให้หมดเลยปล่อยวางแม้กระทั่งทรัพย์สมบัติปล่อยวางแม้กระ ท, ทั่งเยื่อใยความสัมพันธ์ลูกหลานก็ก็ต้องปล่อยปล่อยแม้กระทั่งตัวตนและถึงตอนนั้นแหละก็จะสามารถที่จะเข้าถึงควาสมสงบ ในเวลาสทางชีวิตได้มก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะฮะก็คิดว่าคงจะต้องยุติเผื่อว่าจะมีการสักถามหรือ ว, ว่าการแสดงความสนเพิ่มเติมวิาที่วจะเรียน่ไหนถเลือกาได้เรนนะครับแม้แต่ท่าคานะครับซึ่งศึกษาี่เรื่งาาอาจจะไม่มีวิชาดีวารเรื่ร จะเกิดแนวคิดขึ้นมาในมหาสมุท ไ, ไทยไม่ทรบาบว่าองค์เจ้าาจแนวคิดว่าจากกา ร, รืออะไรเเรกะรมันมีความเป่นไปได้ตอนนี้ความความตระหนักถึงความจำเป็นเกจอเรื่องเรียนรู้ด้นความตายก็เป็นที่สนใจมากขึ้นอาจรับบ เท่าที่าในตอนนี้เนี่ยวิทยาลัยบางแห่งเช่นวิทยาลัยพทยาบาลเกื้อกาลุนเนี่ยก็จะมีวิชาเรื่องนี้แล้วนะวิชาเรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษาทางจิตวิ ญ, ญญาณแก่ผู้ป่วยซึ่งรวมถึงการดูแลในยามใกล้ตายด้วย เอาล่ะมาที่ว่าการที่จะมีหลักสูตรเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเริ่มจากการที่เราให้ความสำคัญกับการคือเวลาที่มันมีมันมีมันมีศาสตร์มันมีวิชาการอันหนึ่งที่เรียกว่า palliative care การแพทย์แบบประคับประคองการแพทย์แบบประคับประคองคือว่าเป็นการแพทย์ซึ่งไม่ได้เน้นที่จะเอาชนะความตายไ ม, ไม่ไม่เน้นที่เอาไม่เน้นที่การรักษาให้หายเพราะโรคบางโรนมันรักษาให้หายไม่ได้เพราะเพราะทางดําเนินของโรนี่ก็ร้ายแรงเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้วิธีการที่จะช่วยประคับประ ค, ระคองให้เขาสามารถที่จะมีชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระดับหนึ่งนะในขณะที่ร่างกายมีสุดลงไปเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องการ ให้ยาหรือช่วยให้ความเจ็บป่วยเนี่ยมันบรรเทาเบาบางลงแต่ไม่เน้นการรักษาเพราะว่าการรักษาที่จะช่วยให้มีชีวิตยอยู่รอดได้หรือช่วยช่วยให้ยืดลมหายใจบางทีมันเป็นการรักษาที่เรียกว่า invasive หรือว่าบางทีเป็น aggressive ด้วยคือเป็นก้าวร้าวและรุนแรงซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางจริยธรรมมากนอกจากการบันทอนคุณภาพชีวิตแลเช่นบางที ส่ท่อลงไปแล้วเนี่ยพอเขาไม่ไหวแล้วเนี่ยมันจะถอดท่อมาก็ไม่ได้เพราะถ้าใส่ก็ต้องใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าใส่เขาก็ไม่ไหวอ่ะเขาอยากให้ถอดก็ถอดไม่ได้พอยาพิษเราอยากให้ถอดแต่เจ้าตัวนี้เป็นเป็นผักแล้วนี่ก็ถ้าถอดก็อันตรายตายก็กลายเป็นเรื่องของการฆ่าหรือเปล่ า, าเนี่ยาก็เลยในเรื่องการใช้วิธีพ a l l i a t i v e c คือการแพทย์ประคับประคองการแพทย์ตรงนี้เนี่ยก็พบว่า เรื่องของจิตใจเนี่ยสำคัญเรื่องคุณภาพชีวิตเนี่ยจะได้รับความสำคัญมากขึ้นและตรงนี้ถ้าถ้าถ้าแพทย์หรือพยาบาลเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยว่าทำางไรที่จะช่วยให้การบรรเทาปวดเนี่ยมันไม่ไปทำลายหรือไม่ไปขัดขวางสภาวะจิตของคนคือให้ยายังไงถึงจะทำให้เขายังมีสติอยู่ได้ไม่ให้เขาไม่ให้เขาเบลอจนกระทั่งไม่รู้ตัว เราพบว่าพอถึงคนที่สนใจเรื่องเพลติดแค่เนี่ยก็จะสนใจเรื่องของจิตใจมากขึ้นมีความมีแนวโน้มที่จะให้ความสําคัญเรื่องจิตใจมากขึ้นและตรงนี้เองก็อาจจะทําให้ได้เรียนรู้วิธีการที่จะดูแลรักษาด้านจิตใจหรือการเยียวยาช่วยเหลือด้านจิตใจซึ่งอาจจะลงลึกไปถึงด้านจิตวิญ ญ, ญาณคือไม่ใชใ่ให้เพียงแค่ว่าให้เขามีสติรู้ตัวเฉยๆให้เขาได้ได้ไ ด, ได้ได้ทำใจเท่านั้นแต่ว่าให้เขาสามารถที่จะ เข้าถึงความสมุบในจิตใจลงลึกไปถึงด้านจิตวิญญาณได้อตอนนี้จะมาพบว่าองค์ความรู้ของพยาบาลจํานวนมากเนี่ยมีเยอะส่วนใหญ่แพทย์เนี่ยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อ ย, ไ ม, อยไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้เพยาบาลเนี่ยจ ะ, จะมีความรู้เยอะแต่ว่าไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีการเก็บถ้าเราสามารถที่จะมีการเก็บให้เป็นระบบเนี่ยแล้วก็เอามาเอามาเอาม า, เอามาเรียนรู้กันเนี่ยเราจะมาเชื่อ ว, ว่าทั้งแพทย์และพยาบาลเนี่ยจะจะมีความหมองมีกำลังใจมาก เน้มาคิดว่าอย่างแรกเลยก็คือเรามีวิชาที่ช่วยทำให้การที่ผู้ป่วยเนี่ยตายอย่างสงบเนี่ยเป็นไปได้ทั้งในทางกายภาพแล้วก็ในทางจิตใจนะแล้วถ้าเขาสามารถที่จะเรียนรู้ต่อไปนะถึงเรื่องของชีวิตด้วยคือเรื่องของความตายนี่มันไม่แยกออกจากชีวิต จะเข้าใจเรื่องความตายได้ดีและเข้าใจเข้าใจเรื่องความตายอย่างสมบูรณ์ได้ดีเนี่ยก็จะต้องเข้าใจเรื่องชีวิตว่าคุณภาพชีวิตหมายถึงอะไรความสุขนี่หมายถึงอะไรความปกตินี่หมายถึงอะไรตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งแพทย์หรือหมอทิทยาลัยควรจะเรียนรู้มานานแล้วคือเราโดยเฉพาะทางแพทยเ์เราเรียนรู้แต่เรื่องโรคใช่ไหมฮะ disease แต่เราไม่เคยเรียนรู้เรื่อง well-being หรือความปกติหรือสุขภาวะเท่าไหร่ ถ้าเราเรียนรู้ตรงนี้ในด้านบวกด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้เห็นภาพที่สมบูรณ์เกี่ยวกับมนุษย์แล้วก็ทําให้การที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยเขาได้มีความสุขทางจิตใจเป็นไปได้แล้วต่อไปจะมีปัญหาถ้าไม่เรียนเรื่องนี้นะการฟ้องร้องจะมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะแพทย์เนี่ยจะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้วิธีที่จะเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยผู้ป่วยหนักหรือญาติผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเลย เวลานี้เราจะพูดมีการฟ้องร้องเยอะมากใช่ไหมและจะมากขึ้นเรื่อยๆส่วนหนึ่งมาเป็นผลของสองังคมบริโภคนิยมด้วยเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างผู้ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกับผู้รับความช่วยเหลือนั่นมันเมื่อก่อนตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับกับกับคนป่วเยเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ซื้อบริการกับผู้ให้บริการอันนี้อันนี้มันบริโภคนิยมโดยตรงเลยนะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ต่างจากการซื้อการขายในห้างสรรพสินค้าหรือว่าในสถานบริการฟิตเนสเพราะฉะนั้นเนี่ยคนป่วยเนี่ยหรือว่าญาติผู้ป่วยเขาก็ส่ขนมากมีสิทธิ์ฟ้องได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิที่ผู้บริโภคอันนี้เป็นบริบทบริบทบริบทบริโภคนิยมเลย แต่ว่าถ้าหากว่าแพทย์และพยาบาลเนี่ยนะรู้เรื่องชีวิตนะรู้เรื่องจิตใจแล้วก็ให้ความสัมพันมิติด้านคุณภาพชีวิตการที่จะรักษาผู้ป่วยการที่จะเกี่ยวข้องกับญาติผู้ป่วยเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างเห็นอกเห็นใจมากขึ้นนะแล้วก็จะรู้เลยว่า เพียงแค่การขอโทษเพียงแค่คำเดียวเนี่ยมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยอาตมาตอนนี้ช่วยทำทำการการศึกษาอบรมและวิจัยเรื่องความขัดแยง้งการแก้ไขความขัดแย้งในโรงพยาบาลศึกษาประมาณสมโรงพยาบาลในภาคกลางพบว่าหลายกรณีเนี่ยฟ้องร้องเกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะว่ารักษาแล้วคนตายหรือรักษาแล้วที่การแต่มันมันมีความขัดแย้งก่อนนานนั้นแล้วความสัมพันธ์ที่ไม่สู้ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วยมันเกิดขึ้นมาก่อนเริ่มตั้งแต่มาขอบัตรคิวแล้วเนะขาไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างดีและในระหว่างการรักษาก็ไม่ได้ไม่ได้ความสนใจมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอานาจ คุณหมอมีอำนาจหมอก็สั่งสั่งไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอป่วยขึ้นมาพอเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเขาฟ้องเลยนะแต่มีหลายกรณีซึ่งแม้ผู้ป่วยจะตายหรือพิการเนี่ยแต่พบว่าไม่มีการฟ้องเราเกิดขึ้นพอไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นมาทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์เนี่ยหรือความสัมพันธ์ระหว่างญาติผู้ป่วยกับแพทย์พยาบาลเนี่ยมันดีเมื่อมันดีแล้วเนี่ยพอตายเนี่ยเขาไม่ว่า แต่เพราะว่ามันมีความขัดแย้งกันมาก่อนแล้วเพราะว่าความสจำพันกันมีความสมาร์ที่ไม่ไม่ถูกต้องไม่มีความสมาร์แบบเพื่อนมนุษย์พอพอพอเกิดปัญหาพุทธเขาฟ้องเลยแล้วเราก็พบว่าเมื่อฟ้องแล้วเนี่ยหลายกรณีขอโทษแล้วมันดีขึ้นเนะพราะฉะนั้นเนี่ยบางแห่งนี่ตอนนี้เขาตั้งศูนย์รับเรื่องน้องเรียนเลยคือใครมีเรื่องอะไรมาร้องเรียนเลยแล้วพกว่าพอร้องเรียนแล้วก็สบาย มีกรณีหนึงแนี่ไม่กรณีที่เมืองไทยนะผ่าตัดเด็กนะบอกว่าเด็กตายนะหมอซึ่งอยู่ในทีมผ่าตัดเนี่ยคนนึงเขาก็รู้สึกเสียใจนะเขาก็ออกมาจากห้องแล้วก็ไปหาแม่แล้วเขาก็บอกว่าผมขอโทษนะต่อมาแม่ของเด็กที่ตายก็ฟ้องสัญญาแพทย์ ทังคณะเลยแต่เว้นแค้คนเดียวก็คือคนที่มาขอโทษทนายความของหมอเนี่ยก็แปลกใจว้ทําไมทำไมไม่ฟ้องคนนี้ก็มาถามหมอคนนั้นนะ่ยหมอคนนี้ก็บอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่เคยคุยกันก็เลยไปถามแม่ซึ่งเป็นโจทย์แม่ก็บอกว่าที่ไม่ฟ้องหมอคนนี้เพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่ใส่ใจ คือเวลานี้เนี่ยหมอเราเนี่ยไม่กล้าขอโทษเพราะกลัวว่าพูดไปแล้วจะเป็นช่องให้เขาฟ้องได้ก็แสดงว่าคุณรับผิดคุณยอมรับผิดคือใช้หัวเงี้ยใช้หัวคํานวณว่าเนี่ยถ้าขอโทษแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวเขาจะหาเป็นเอาเป็นช่องฟ้องได้ไม่ได้ใช้หัวใจครับเวลานี้แพทย์เนี่ยไม่ได้ใช้หัวใจหัวใจรับรู้ถึงความทุกข์ของเขาความทุกข์ของแม่ที่เสียลูกถ้าคุณรับรู้ถึงความทุกข์ของแม่ที่ก็เสียลูก คุณจะไอ้การขอโทษมันจะออกมาเองแต่เวลาเนี้ยหมอเนี่ยใช้หัวมากกว่าหัวใจและการศึกษาทุกวันที่มันใช้หัวมากกว่าหัวใจการศึกษาแพทย์เนี่ยสอนแต่เรื่องการใช้หัวการท่องจําต่างๆแต่เรื่องหัวใจเนี่ยไม่ได้สอนเลยไม่ได้ฝึกไม่ได้ออรวบรมให้มีเมตตากรุณานะให้มีความเห็นใจนะให้รู้สึกให้ให้ให้จิตใจเราเนี่ยสามารถที่จะสัมผัสกับความทุกข์ของผู้คนได้การสอนปัจจุบันนี้เป็นการสอนแบบแยกส่วนมากเราคงทราบนะมันใช้แต่หัว มันไม่ใช่เป็นเฉพาะที่แพงเนเป็นที่อื่นด้วยแล้วตรงวันนี้ก็เลยเกิดปัญหาแต่ถ้าเรามีวิชีวิธีวิชาที่มึนสอนให้ได้เข้าใจเรื่องชีวิตได้เข้าใจเรื่องจิตใจเข้าใจเรื่องคุณภาพมนุษย์จิตใจก็จะได้รับการหล่อหลอมมากขึ้นและถึงตอนนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยก็จะดีขึ้นแล้วก็ไอ้การปัญหาการฟ้องร้องเนี่ยต่อตมาเชื่อว่าจะน้อยลง แต่ถ้ายังเป็นอย่างทุกวันนี้อยู่นะก็จะมีมากขึ้นแล้วคนก็จะไม่อยากเป็นแพทย์หรือไม่อยากเป็นแพทย์ในโรงพาบาลรักเพราะว่าไม่ไหวความสมัครก็จะแย่งไปเรื่อยๆแหน่ตมาคิดว่าเรื่องนี้มันมันจริงถ้าเราฟื้นหรือทําให้หลักสูตรของเราเนี่ยมันมีมิติด้านเกี่ยวกับชีวิตด้านเกี่ยวกับความตายในมิติของจิตใจมากขึ้นตมาคิดว่ามันจะช่วยได้หลายอย่างไม่ใช่ช่วยแต่ผู้ป่วยเพื่ช่วยต่อตัวตัวแพทย์และพยาบาลหนึ่งและแพทย์และพยาบาลต่อไปก็จะไม่เครียดนะเพราะว่ารื่อนี้อาชีพแพทย์เป็นอาชีพที่เครียดมาก เท่าที่สั้นก็อายุสั้นด้วยใช่ไหมครับอายุสั้นกว่าอ า, อาชีพอื่นเครียด <Yeah. S 1> เพราะว่าเราใช้หัวมากเกินไปเงี้ยแต่เราไม่ได้ใช้ใช้หัวใจ <Yeah. S 1> คือเศรษกิจพอเพียงมันแย่ไม่ออกจากชีวิตพอเพียงนะฮะ พอเพียงในที่นี้ก็คือความรู้จักพอความรู้จักพออันนี้รวมไปถึงความสุขพอใจในสิ่งที่มีพอเพียงพอดีพอใจเนี่อันเดียวกันเลยฮะคุณจะพอเพียงได้ก็เพราะว่าคุณรู้จักพอดีแล้วคุณจะรู้จักพอดีได้เพราะคุณรู้จักพอใจแต่อันนี้เนี่ยถ้าพอเพียงแล้วเนี่ยแล้วไม่พอใจเนี่ยมันก็พอเพียงไม่ไหว การพอใจจะต้องเริ่มจากพอใจในสิ่งที่เรามียกตัวอย่างเช่นเทตามายกตัวอย่างเนี่ยเรื่องของ เ, อเราเราได้โบนัสหมื่นหนึ่งแต่ว่าคนหนึ่งเขาได้หมื่นสองนะอย่างนี้เนี่ยเราไม่เร า, เร า, เ, ราเรามีความทุกข์เพราะว่าเราเนี่ยไปมองเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาว่าเขาได้มากกว่าเราแต่เราไม่เคยไม่เคยให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรามีว่าไอ้สิ่งที่เรามีเนี่ย มันดีไหมมันพอใจมันมันมันมีประโยชน์ไหมเราไม่เคยชื่นชมในสิ่งที่เรามีซื้อโทรศัพท์มา6000นะทั้งที่ราคาหมื่นหนึ่งเนี่ยเราน่าจะมีความพอใจน่าจะมีความสุขเพราะว่า1มันถูกสองมันเราเราได้ใช้ประโยชน์ใช่ไหมแต่ว่าเรายังไม่ทันจะชื่นชมมันเลยเราอยากจะเครื่องมันทิ้งไปเสียแล้วเพราะว่ามันราคาแพงกว่า ที่เพื่อเราเพื่อนบ้านเราซื้อมาเขาซื้อมาสี่พันเวลาที้เราไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่เรามีเราไปหวังว่าถ้าเรามีอย่างคนอื่นเขาบ้างเราก็จะมีความสุขสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรปัจจุบันก็ไม่มีความสุขส่วนความสุขที่เราอยากจะก็ให้เกิดขึ้นก็ยังมาไม่ถึงนะสุขในอนาคตยังมาไม่ถึงสุขในปัจจุบันก็ทิ้งเสียเสียสองต่อเลย เราจำนิทานนั่นจำนิทานหมาข้าบเนื้อหมาข้ามเนื้อนี่จําได้มันใช่ศพหมาข้ามเนื้อตัวใหญ่ได้หมาข้ามเนื้อชิ้นใหญ่ได้มันก็เดินข้ามสะพานพอข้ามสะพานเนี่ยมันมองไปที่แม่น้ํามันเห็นเงาของหมาตัวหนึ่งมันรูเอ๊ะมันที่จริงคือเงาตัวมันอ่ะมันเห็นหมาตัวนี้ในในแม่น้ำเนี่ยมีชิ้นเนื้อใหญ่กว่ามันอยากจะได้ชิ้นเนื้อในในแม่น้ํามันก็เลยอ้าปากเพื่อที่จะไปงับชิ้นเนื้อในน้ํา เกิดอะไรขึ้นนะเนื้อในปากก็หลุดเนื้อในแม่น้ําก็หายมันไม่พอใจในสิ่งที่มันมีแล้วคนเราเนี่ยลักษณะหนึ่งคือเราชอบของใหม่นะมันสัตว์ก็เป็นนะอัตมาเนี่บินทบาลเนี่ยหมาชอบหมาชอบมาตามอัตมาโยนข่อเหนียวให้มันงับมันไม่ทันจะกินเลยอาตมาโยนไปอีกเก็อีกอีกอี ก, อ, กอีกก้อนหนึ่งมันคายเลยแล้วมาไปงับชิ้นชิ้นใหม่ทั้งนั้นที่ทั้งสองกอนนี้ก็เท่ากัน คนเราต้องการของใหม่นะของที่เราอยากได้เนี่ยพอเราได้มันแล้วเป็นไงมันหมดเสน่ห์แล้วเราได้พอคนเราเนี่ยมีความสุขจากการอยากได้ของใหม่ถ้าหน้าที่เรามีอยู่ร้อยนะแต่เราก็ยังได้อีกหนึ่งพอเราได้1นั่นั้นมาแล้วไม่นานก็เบือ่อเรามีเทปเรามีแผ่นซีดีมากเท่าไหร่ก็ตามเนี่ย มันไม่มีความหมายไม่มีเสน่ห์เท่ า, าไอ้แท่นที่มันอยู่ในร้าน่ะที่เรายังไม่มีอ่ะใช่ไหมความสุขเกิดจากการได้ไม่ได้เกิดจากการมีนะคนทั่วไปมีเท่าไหร่ไม่ให้ความสุขเท่ากับได้ชิ้นหนึ่งชิ้นใหม่มาบางคนรู้สึกเลยว่าแฟนของตัวนี้หล่อรูสวยเท่าแฟนคน อ, อื่นไม่ได้เป็นบ้งล่าของที่เราไม่มีน่จะดีกว่าของที่เรามีเสมออาหาร ในจานที่เพื่อนสั่งเนี่ยมันมักจะอร่อยอาหารในจานที่เราสั่งอยู่เสมอเนี่ยเป็นอย่างนี้อ่ะมันก็คือเราไม่พอเพียงตั้งแต่ตรงนี้แล้วอ่ะนะชีวิตพอเพียงคือคุณพอใจในสิ่งที่คุณมีแล้วคุณไม่ต้องไปมองคนอื่นนะพอใจในสิ่งที่เรามีอันนี้แหละที่พหุวัว่าสันโดษพอใจในสิ่งที่เรามีพอใจในสิ่งที่เราเป็นนะ เวลานี้เนี่ยเราไปเราไปใส่ใจกับสิ่งที่เราไม่มีมากใส่ใจกับสิ่งที่เรายังไม่ได้มามากรวมทั้งใส่ใจในสิ่งที่หายด้วยเงินหายร้อยบาทกุ้มใจทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีเงินในกระเป๋าเป็นหมื่นแต่ไอ้ร้อยบาทนี่มันไม่ทำให้เรามัมนมันกลับเป็นน้ำหนักต่อจิตใจเรามากกว่าเงินหมื่นที่เรามีเวลาหายนะ เวลาของหายชิ้นหนึ่งเนี่ยโอ้โหทุกเท่านัท้ที่ไอของที่เรามีอีกมีเต็มไม่หมดเลยแต่ไม่มีความหมายเลยทําไมอ่ะทำไมเราไปให้ของชิ้นเดียวเนี่ยมัน ม, มันมีความหมายต่อชีวิตเรามากเหลือเกินเท่านั้นที่เรามีอีกมากมายในชีวิตอีกมากมายในในครอบครองชีพพอเพียงคือการหันกลับมามองตัวเองนะฮะเศรษกิจพอเพียงการหันกลับมามองตัวเองและชื่นชมในสิ่งที่เรามี คนเราถ้าเราชื่นชมในสิ่งที่เรามีเราจะพบว่าโเรามีเรานี่มีอะไรดีเยอะแยะเลยเร า, า จ, จะไม่มีโทรศัพท์มือถือเร า, า จ, จะไม่มีรถแต่เรามีพ่อมีแม่ที่ดีเรามีเพื่อนที่ดีเรามีบ้านที่อบอุ่นเรากินอิมนอนอมอ่มนอนอุ่นแต่คนเวลานี้เนี่ยมีอยู่เยอะแยะไม่สนใจแต่ไปสนใจสิ่งที่ยังไม่มีมันก็เลยทุกเนี้ยคนเราชอบมองลบ มากกว่ามองบวกคนชมเรานี่จําไม่ค่อยได้นะแต่คนด่าเรานี่จําได้แม่นเหลือเกินคนที่ให้เงินเรานี่จําไม่ค่อยได้แต่คนที่ขโมยเงินเราไปมันจำแม่นสิ่งที่เราไม่มีเนี่ยมันมีผลต่อใจอเรามากกว่าสิ่งที่เรามีถ้านี่นสิ่งที่เรามีมันเยอะแยะ ไ, ไหมดนะฮสังเกตดูเพราะเนี่ยคิดพอเพียงคือการที่คุณเริ่มหันมาชื่นชมกับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นนะ ไม่งั้จะมีความทุกข์นะแล้วคนเวลานี้เป็นกันมากสวยเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอใจสักทีเคยคณาดาเนี่ยก็เคยไปเคยทาวิจัยผู้หญิงสวยๆประมาณสองคนพรากว่าประมาณแปดสไม่พอใจในรูปร่างของตัวงั้ชีวิอพอเพียงเนี่ยเศรษฐกิจพอเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นแรกก็ต้องเมื่อคุณเข้าใจชีวิตพอเพียงและชีวิอพอเพียงจะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณรู้รู้จักชื่นชมและพอใจในสิ่งที่มี แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีความเขียนมันเพียนไม่ค่อยไ ม, ไม่ไม่มีความไม่มีความอยากนะั้นไม่ใช่แต่ว่าเราควรจะมีความสุขจากสิ่งที่เรามีมากกว่าไปคอยความสุขในสิ่งที่เรามอย่างอย่างมาไม่ถึงอะนะไอสิ่งที่หมาไม่ถึงไปไปไปไปไ ป, ไ ป, ไปฝากความหวังความสุขไว้ทำไมในเมื่อสิ่งที่เรามีนี่มันมันอยู่กับอยู่กับเราอยู่แล้วเราอย่าทําตัวเหมือนกับหมาที่มัน ชื่อมันไปหวังเนื้อที่อยู่ในน้ําจนม อ, มองข้ามเนื้อที่อยู่ในปากของตัวเองเนื้อหัดชื่นชมถึงที่มีบ้างจะมีความสุขนะแล้นี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตพอเพียงเมื่อคุณไม่ชอบชีวิตพอเพียงคุณจะเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจริงมีประเด็นหนึ่งที่อาตมาอยากจะบอกก็คือว่าการที่คุณมีมากๆเนี่ยอย่าไปนึกว่ามันดีมันมีภาระที่ต้องแบกบ คือเมื่อกี้ก็ได้พูดไ ว, ไ, วไว้มากแล้วว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีภาระอยู่เสมอมันมีราคาที่ต้อ ง, องจ่ายอยู่เสมออาตมาขุนเขียนบทความที่ลงในมติชนเมื่อวันอาทิตย์นี้เองชื่อว่าสบายแต่จ่ายแพงคือความสบายที่ไม่เคยได้มาฟรีการที่คุณได้สบายอย่างหนึ่งหมายถึงคุณต้องเสียไปอย่างหนึ่งอย่างเช่นในชนบทเนี่ยการที่มีถนนดีๆถนนสะดวกสบายเนี่ย มันหมายถึงว่าสวัสดิภาพมีน้อยลงหมู่บ้านตะมาเนี่ยพอมีถนนลาดยางแล้วเนี่ยครับรถสะดุกสบายไม่มีหลุมไม่มีบ่อนะคนตายมากขึ้นเพราะคนแหกโค้งรถแหกโค้งรถซิ่งรถชนกันมีเยอะขึ้นนะการที่คุณมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคุณคุณสะดวกสบายบางอย่างแต่คุณเสียไปหลายอย่างนะนอกจากจะเสียเงินแล้วคุณเสียเวลา ไอตอนไม่ตอนไม่มีเงินตอน ม, มีโทรศัพท์ ม, มือถือไม่เสียเวลาเดี๋ยวนี้เสียเวลาการพูการคุยมากเกินเหลือเกินแล้วคุณเสียเวลาคุณเสียสรภาพด้วยเพราะว่าใครจะจิกใช้คุณเมื่อไหร่ก็ได้แม้กระทั่งเวลาคุณอยู่ในห้องน้ําหรือเวลานอนไ ม, ไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีการที่คุณได้มีของมากมายเนี่ยคุณเสียไปหลายอย่างคุณเสียเวลาคุณต้องคอยเป็นห่วงกังวลมันนะ แล้วคุณต้องคอยกลุ้มใจว่าจะใช้อะไรดีนะมีแล้วต้องใช้ให้คุ้มแต่พอใชใ้คุ้มแล้วคุณเสียเวลามากขึ้นนะคนเนี่ยทุกวันนี้เสียเวลาการอัปเกรดคอมพิวเตอร์นี่ไม่รู้เท่าไหร่นะอัปเกรดเสร็จแล้วทําไมต้องใช้เนะี่ยบางทีโปรแกรมมาโปรแกรมไม่มีประโยชน์เลยแต่ว่าอัปเดรดมาแล้วต้องใช้ใช้แล้วเกิดอะไรขึ้นเสียเวลานะแล้วเวลาแทนที่เอาเวลาไปคุยกับเพื่อนเอาเวลาไปคุยกับพ่อแม่ไม่มีแล้ว ความสะดสบายนี่มันต้องจ่ายแพงเสมองั้นถ้าเราเห็นตรงนี้เห็นโทษของความสะดสบายนะเราจะพอเพียงในความสะดสบายต้องรู้จักพอเพียงในความสะดวสบายด้วยนะฮะอันนี้ผู้เจ้าสอนเองว่าชีวิตนี้จะยืนยาวได้เนี่ยหนึ่งต้องรู้จักทําความสบายให้กับตัวเองพผู้เจ้าไม่ปฏิเสธความสบายนะต้องรู้จักทําความสบายให้กับตัวเองสองอย่าสบายมากไปต้องรู้จักประมาณในการสบายเพราะถ้าคุณไม่ประมาณในการสบายแล้ว คุณจะจ่ายเสียอะไรไปเองเยอะแยะเลยเพื่อแลกความสบายนั่นชื่อพอเพียงมันเกิดจากการที่มีปีปัญญาด้วยนะหนึ่งมีปัญญาเห็นโทษของความของความของการมีมากเกินไปของความสุขสบายมากเกินไป 2. คุณรู้จักพอใจรู้จักชื่นชมในสิ่งที่คุณมีชาวบ้านเนี่ยเวลาแจากข้าวขมหน้าหนาวคนรัผืนน่ยดีใจมากเลยแต่พอรู้ว่าอีกบ้านได้2ผืนเนี่ยทุกเลย บางทีทุกกว่าตอนที่ยังไม่ได้แจกอทำไมอ่ะทำไมทุกกว่าตอนไม่ได้แจกอ่ะคุณน่าจะพอใจว่าคุณได้ผืนหนึ่งมันก็พอใจแล้วคนก็จะได้สองก็ช่างเขาแน่นอนได้2ดีกว่าหนึนะแต่ว่าไปประมาณบอกว่าได้หมุนกับแยกกว่ากว่าไม่ได้เลยเพราะว่าคนถือมันได้มากกว่าเรานะอันนี้มันดูเหมือนจะ a b ิ u r d นะแต่มนุษย์เราเป็นย่างี้จริงเอาละคงพอ